จเจริญพรทุกๆ ท, ท่านธรรมะาของพระพุทธเจ้าประณีตลึกซึ้งแต่ไม่ใช่ลึกลับนะลึกซึ้งคุณของพระพุทธเจ้ามีปัญญาที่คุณมีบริสุทธิ์ที่คุณมีกรุณาที่คุณอาศัยปัญญาแล้วเข้าถึงความบริสุทธิ์นความตั้งใจของท่านต้องการช่วยเหลือคนอื่นด้วย ไม่ใช่บริสุทธิ์หลุดพ้นไปเฉพาะตัวนี่พอเข้าถึงความบริสุทธิ์แล้วก็อาศัยความกรุณามาสืบทอดธรรมะให้พวกเราได้เรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้านะั้นไม่ใช่ของเล่นๆนะมันเป็นศาสตร์อันหนึง่งเป็นศาสตร์อย่างแท้จริงเลยเกี่ยวกับจิตใจของเราถ้าเราเข้าถึงศาสตร์อันนี้แล้วเนี่ยใจของเราจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ สาธตนนี้ถ้าเรารู้แจ่มแจ้งเรียกว่าเรามีปัญญาแจ่มแจ้งเราจะเข้าถึงความบริสุทธิ์นีบางคนเมื่อถึงความบริสุทธิ์แล้วบางท่านบางองค์ท่านก็ปรินิพานไปบางองค์ท่านก็สงเคราะห์โลกออกมาสอนโลกอันั้นแล้วแต่วัฒนาแต่และองค์สะสมมาไม่เหมือนกันสาวกเนี่ยไม่มีปัญญาเหมือนพุทธเจ้าไม่มีกรุณาเท่าพระพุทธเจ้า สาวกเนี่ยสามารถเข้าถึงความบริสุทธิ์อันเดียวกับพระพุทธเจ้าได้ด้วยการอาศัยธรรมะที่ท่านให้ไหว้ถ้าพวกเราได้ศึกษาธรรมะให้มากพอนะเราจะได้รู้จักธรรมะที่สูงที่สุดเลยที่ครอบคลุมธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไว้ชื่ออริย ส, สัจสีอริยสัจสีเป็นธรรมะที่ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นด้วยใจอย่างแจ่มแจ้ง เรายังไม่สามารถเข้าถึงความบริสุทธิ์ไม่เข้าถึงความหลุดพ้นได้ชีวิตรเราก็จะต้องอย่างนี้แหละสุขบ้างทุกบ้างดีบ้างร้ายบ้างลุกลุกตอนตอนไปด้วยสมหวังบ้างผิดหวังบ้างวนเวียนอยู่อย่างนี้เแต่ถ้าเราเข้าใจธรรมะอันสูงสุดคืออริยสัจแล้วเนี่ยใจเราจะบริสุทธิ์ไม่มีอะไรเข้ามาปลุกแต่งเจือปนได้อีกเลยจะมีความสุขมีความสงบที่ไม่มีอะไรเหมือน เป็นความสุขที่ไม่ยิงอาศัยคนอื่นไม่ยิงอาศ Al ัยสิ่งอื่นความสุขในโลกนี้เป็นความสุขที่อาศัยคนอื่นอาศัยสิ่งอื่นเช่นเราต้องอยู่กับคนคนนี้เราถึงจะมีความสุขเราต้องไม่อยู่กับคนนี้เราถึงจะมีความสุขเราต้องมีสิ่งนี้มีทรัพย์สมบัติอย่างนี้มีชื่อเสียงอย่างนี้มีหน้าที่การงานอะไรอย่างนี้มีคนยอมรับแบบนี้อะไรอย่างนี้ถึงจะมีความสุขถ้าไม่ได้สิ่งเหล่านี้มาไม่มีความสุข ในความสุขในโลกนี่อาศัยคนอื่นอาศัยสิ่งอื่นตลอดเวลาการที่มีชีวิตโดยอาศัยคนอื่นอาศัยสิ่งอื่นเพื่อจะหาความสุขให้เราเนี่ยชีวิตเราเลยไม่มีความมั่นคงต้องคอยเอาอเอาใจผู้อื่นสิ่งอื่นนะถ้าสิ่งนั้นแปลกพวนไปเนี่ยความสุขของเราก็าหายไปด้วยแต่ธรรมะของพระเจ้าเนี่ยจะสามารถทําให้เรานะเข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดในจิตใจได้อย่างแท้จริง ขอให้รู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจเท่านั้นเองถ้าไม่รู้อริ 4, ยสัจ4ี่ก็ไม่บริสุทธิ์อย่างเบียนบา์ไตเกิดอีกอริยสัจสตรงที่เรารู้แจ้งอริยสัจสเนี่ยเรียกว่าเรามีวิ ช, ชาจะทำลายอาวิ ช, ชาคือความไม่รู้ลงไปอวิ ช, ชาคือความไม่รู้อะไรอวิ ช, ชาไม่ใช่ความไม่รู้ว่าคนคนนี้ชื่ออะไรเมืองนี้อยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนั่นไม่ใช่เรื่องของอวิ ช, ชา อวิชชาคือความไม่รู้อริยาาสัจสี่นั่นเองในขณะนี้พวกเรายังไม่รู้จักอริยาาสัจสีรอกถึงจะเคยอ่านถึงจะเคยฟังก็ไม่รู้จักจริงหอกธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นอัศาจรรย์เหลือประมาณนะเทียบอะไรก็ไม่เหมือนเลยอัศาจรรย์จริงๆเราได้ยินเราได้ฟังเหมือนเหมือนจะเข้าใจแต่ไม่เข้าใจหรอกแค่เหมือนเหมือนจะเข้าใจเท่านั้นเองอย่างพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกทุก พวกเรารู้จักทุกไหมโอรหกเป็นทุกใช่ไหมไม่สบายเป็นทุกแก่เป็นทุกเจ็บเป็นทุกตายเป็นทุกนี่เราเรารู้จักทุกแบบนี้ไม่สมหวังเป็นทุกหวังแล้วไม่ได้อย่างที่หวังเป็นทุกพลัดพลาดจากคนที่เรารักเป็นทุกไอ้เรื่องนี้เป็นแค่อาการปรากฏของทุกเท่านั้นเองคำว่าทุกอย่างแท้จริงนะก็คือ ตัวขันห้าตัวรูปตัวนามตัวกายตัวใจของเราเนี่แหละคือทุกข์ใครเคยทําวัดสวดมนต์ทำวัดเช้าบ้างมีไหมมีอยู่บทหนึ่งจาได้ไหมสังคีตเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาว่าโดยสรุปว่าโดยย่อขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ขันทั้งห้าอย่างตัวรูปกับขันตัวกายของเราพวกเราเห็นกายเป็นทุกข์ไหมไม่เห็นหรอกเราเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหม เราเห็นไหมว่าใจเราเป็นทุกข์ไม่เห็นหรอกเราเห็นว่าใจเราเป็นทุกข์บ้างใจเราเป็นสุขบ้างเพราะเราไม่เคยรู้ความจริงของขันห้าของเรานะไม่ได้เรียกว่ารู้แจ้งแทงตลอดในกองทุกข์เลยเพราะเราไม่เคยเห็นเลยว่าขันห้าเป็นทุกข์อุทชนไม่มีทางเห็นเลยนะว่าขันห้าเป็นทุกข์พระโสดายังไม่เห็นเลยพระสกทาคายังไม่เห็นเลยพระนาคาเนี่ยเห็นแล้วว่าร่างกายเป็นทุกข์แต่จิตยังเป็นสุขได้นะจิตยังเป็นสุขได้ จะเดินขึ้นจุดที่จะเป็นพระละหันได้คือเห็นแจ้งเลยว่ากระทั่งตัวจิตก็เป็นตัวทุกข์ตัวจิตนี่เป็นตัวสุดท้ายเลยที่เราจะเห็นได้นะว่าเป็นตัวทุกข์ยากที่สุดเลยที่จะเห็นว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์เพราจิตของคนทั่วๆไปในเวลาผิดหวังมีอะไรเงี้มันก็เป็นทุกข์นะเวลาปกติก็เป็นสุขสุขบ้างทุกข์บ้างไม่ไม่เคยเห็นเลยว่ามันทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยอย่างร่างกายเนี่ย พวกเราเห็น ว, ว่าร่างกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเราไม่เห็นหรอกว่าร่างกายนี้มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตใจนี้เราก็เห็นว่าสุขบ้างทุกข์บ้างเราไม่เห็นว่าจิตใจนี้มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยคนซึ่งไม่มีสติไม่มีปั ญ, ญญานั้นในเวลาที่ทุกข์น้อยก็คิดว่านี่แหละคือความสุขแต่ผู้มีสติมีปัญญาจะไม่ประมาทเลยจะเห็นว่ามันไม่สุขจริงหรอกมันยังแปรปรวนได้อี ก, <S <S กของที่แปรปรวนนี้เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยฝากเป็นฝากตายกับมันไม่ได้ และร่างกายเราเนี่ยไม่ใช่ตัวดีตัวพิเศษเลยมันเป็นตัวทุกมีแต่ทุกมากกับทุกน้อยเราไม่เคยเห็นเราเห็นแต่ว่าร่างกายเป็นทุกบ้างเป็นสุขบ้างจิตใจนี้เราก็ไม่เคยเห็นว่าเป็นตัวทุกนะเราจะเห็นว่ามันเป็นตัวทุกบ้างเป็นตัวสุขบ้างรู้สึกอย่างนั้นแหมใจเราเดีย ami, ยเด๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกใช่ไหมร่างกายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกตราบใดที่ยังมีทางเลือกสองอันว่าสุขก็ได้ทุกก็ได้อยู่เนี่ยจิตเราจะติดหล่นหาความสุข จิตเราจะดิ้นรนหนีความทุกข์ดังนั้นมีความทุกข์เกิดในร่างกายเราก็จะดิ้นรนหนีความทุกข์หรือว่าอยากมีความสุขให้ร่างกายมีความสุขดิ้นรนทํำยังไงร่างกายจะมีความสุขจิตนี้ก็เหมือนกันเราพยายามดิ้นรนเพื่อจะหนีความทุกข์ดิ้นรนที่จะหาความสุขตลอดเวลามาฟังธรรมด้ียหวังว่าจะทุกไหมไม่ไม่ได้อยากทุกข์ใช่ไหมอยากอะไรอยากสุขใช่ไหมดิ้นรนหาความสุขนะ หาแฟนหล่อๆสักคนรวยๆสักคนนะหวังว่าจะทุกขไหมอยากได้สุขใช่ไหมอยากได้สุขจริงๆกับดิ้นรนหาความสุขเพราะฉะนั้นใจจะไม่เลิกดิ้ น, นการดิ้นรนของใจนี่เรียกว่าปัญหาเป็นตัวสมุทัยถ้าไม่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะสมุทัยก็ยังมีขึ้นมาได้อีกมีความอยากขึ้นมาได้อีกถ้าเมื่อไหร่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งความอยากจะไม่มีขึ้นอีกเลย ทุกคราวที่มีความอยากความทุกข์จะเกิดขึ้นในใจอันนี้เป็นธรรมะแค่ระดับกลางนะเวลามีความอยากก็มีความทุกข์มีความอยากก็มีความทุกข์คนทั่วๆไปนะไม่เห็นถึงจุดนี้ได้วรซ้งไปคนทั่วๆไปเห็นว่ามีความอยากยังไม่ทุกข์หรอกถ้าไม่สมอยากถึงจะทุกข์คนทั่วไปเห็นได้แค่นี้รู้สึกไหมถ้าได้อย่างที่อยากก็มีความสุขนะ แต่ถ้าเราพอน่าสักช่วงหนึ่งนะเราจะเห็นเลยทุกคราวที่ความอยากเกิดขึ้นเนี่ยใจเราจะถูกขยี่ใจเราจะถูกบีบถูกเค้นอยู่ตลอดอย่างเนี้ยใจจะมีความทุกข์เกิดขึ้นมีความอยากสมมเด็กร้องอยากให้เงียบใจจะถูกบีบนะใจะถูกบีบนะ่ทุกคราวที่ความอยากเกิดขึ้นความทุกข์จะเกิดขึ้นอันะนี้เป็นปัญญาระดับที่พวกเราพอมีได้ถ้าปัญญาชั้นสูงนะจะมีความอยากหรือไม่มีความอยากนะ จิตนี้ก็คือตัวทุกตัวนี้เห็นยากมากนะแค่เห็นเมื่อไหรนะวันนั้นแหละชิมบันผู้ภ า, หารหนะันแล้วการที่เราเห็นว่ามันมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างเราก็จะเกิดความอยากอยากอะไรอยากให้กลายเป็นสุขอยากให้กายพ้นทุกข์อยากให้ใจเป็นสุขอยากให้ใจพ้นทุกข์ความอยากนานาชนิดที่พวกเรามีอยู่ถ้าไปดูให้ดีนะมันก็ อ, อยากอยู่ในสองประเด็นนี้อยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์มีอยู่แค่นี้เอง นะที่อยากกันมากมายแต่ละวันแต่ละวั น, แ ต, วนแต่ละเวลาตล เ, ลา ต, ลเลาต็มไปด้วยความอยากย่อลงมาก็คืออยากให้กายเป็นสุขอยากให้ใจเป็นสุขนะอยากให้กายให้ใจไม่ทุกข์เท่านั้นเองนะดินแทบตายก็เพื่อสิ่งนี้เองแต่ถ้าปัญญาเราแก่รอบนะเราจะเห็นเลยว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆไม่มีทางเลือกเมื่อไม่มีทางเลือกเนี่ยจิตจะเบือ่อจิตจะเบื่อไหนคลายความยึดถือในกายในใจคลายของมันเอง ไม่ต้องจ้างมันอ้อนบอนมันให้คลายนะจะคลายของมันเองเลยพอจิตมันหมดความยึดถือในกายในใจแล้วเนี่ยต่อเป็นความอยากจะไม่มีขึ้นอีกเลยความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยเพราะว่าอยากอะไรอยากให้กายให้ใจเป็นสุขมันเป็นสุขไปไม่ได้มันเป็นตัวทุกข์อยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์มันพ้นไม่ได้มันคือตัวทุกข์เนี่ยถ้าเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหร่นะความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยนี่คือความอัศจรรย์ของธรรมะนะ คนทั่วๆไปในโลกเนี่ยกลัวทุกข์เกลียดทุกข์หนีทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้เราเผชิญหน้ากับความทุกข์แล้วสอนด้วยว่าอะไรที่เรียกว่าทุกข์กายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์หน้าที่ของเราต่อทุกข์คือการรู้รู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจถ้ารู้ไปจนกระทั่งเห็นความจริงของกายของใจว่ามันคือตัวทุกข์เรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งความอยากจะไม่มีขึ้นอกเมื่อไรรู้ทุกข์เมื่อนั้นละสมุทัย ละความอยากเมื่อไรใจพ้นจากความอยากเมื่อนั้นสัมผัสพระนิพพานดันั้นเวลารู้ทุกข์เมื่อไหร่นะเขาละสมูทัยเมื่อนั้นลาสมูทัยเมื่อไหร่แจ้งนิโรธือแจ้งพระนิพพานเมื่อนั้นและในขณะที่แจ้งนิโรธแค่ในขณะที่รู้ทุกข์ละสมูทัยแจ้งนิโรธในขณะนั้นแหละคือขณะแห่งอริยมรรคทุกอย่างเกิดขึ้นภายในเวลาหนึ่งขณะจิตเท่านั้นเองแปบ๊บเดียวเท่านี้เอง ที่รู้ทุกแจ่มแจ้งละสมุทัยแจ่มนิโรธเกิดอริยมรรคศาสตรานี้เป็นศาสตร์ที่ลึกที่สุดเลยนะในพระพุทธศาสนาดังั้นหน้าที่ของเราเนี่ยต้องรู้ทุกรู้ทุกก็คือรู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจเรื่อยๆไปกายนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะไม่ใช่ตัวเรา ไม่อยู่ในอำนาจบังคับเนี่ยจะเห็นอย่างนี้นะพระอรหันต์บางองค์เนี่ยท่านบรรลุพระอรหันต์เพราะท่านเห็นว่ามันไม่เที่ยงจิตนี้ไม่เที่ยงบางองค์ท่านบรรลุเพราะเห็นว่าจิตนี้เป็นตัวถูกบางองค์ท่านบรรลุเพราะเห็นว่าจิตนี้เป็นอนัตตาแล้วก็หมดความยึดถือแต่ละองค์ไม่เหมือนกันองค์ไหนที่ศรัทธามากวิริยะมากอะไรเงี้ยท่านก็ยัเห็นว่ามันไม่เที่ยงแค่นี้ท่านก็ยอมปล่อยแล้ว องที่สงฌานจิตจะมีแต่ความสุขอิมอ่มเอิบอยู่ได้ตลอดวันนะวันใดเห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์นะั่นถึงจะยอมปล่อยงั้นท่านที่สงฌานเนี่ยจะหลุดพ้นด้วยการเห็นทุกข์นะส่วนท่านที่มีปัญญากล้าจะหลุดพ้นด้วยการเห็นอนัตตาแต่ว่าไม่ว่าจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนั่นแหละเรียกว่าเห็นทุกข์เห็นทุกข์มันทุกข์เพราะไม่เที่ยงมันทุกข์เพราะถูกบีบคัน้นมันทุกข์เพราะไม่ใช่ตัวเรา หน้าที่ของเราต่อไปนี้นะหารู้ทุกให้ได้ถ้ารู้ทุกไม่ได้คนละสมุทัยไม่ได้พวกเราเคยเห็นเขาสร้างพระปิดตาไหมให้เคยเห็นพระปิดตาต้องอ้วนๆหน่อยสมมติปิตาเรียกพระขวมปติจริงๆเป็นชื่อพระราารอรหันต์งหนึ่งพระขวมปติเป็นกลุ่มพระอราหันต์เพื่อนพระยศสใครได้ยินไหมใครเข้าวัดบ่อยๆพระยศะนะพระยศะเศรษฐี พระความปฏิเป็นพระอรหันต์แล้วก็วันหนึ่งท่านไปอยู่กับเพื่อนพระอรหันต์หลายองค์ไปบิณฑบาตเสร็จแล้วมาฉันข้าวแล้วนะท่านก็สนทนาธรรมกันก็มีพระอรหันต์องค์หนึ่งท่านก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยท่านพิจารณาแล้วถ้าเมื่อไร่รู้ทุกข์เมื่อนั้นล้ะสมุทัยเมื่อไหร่ล้ะสมุทัยเมื่อนั้นแจ้งนินโรธเมื่อไหร่แจ้งนินโรธเมื่อนั้นเกิดอริยมรรคพระอรหันต์อื่นๆก็เห็นตรงกันหมดเลยใช่เห็นอย่างนี้รู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็ละความอยากได้ ละความอยากได้จิตหมดความอยากนะจิตที่ไม่ทุกข์อีกแล้วนะสัมผัส น, น, น, นิพพานนิพพานคือสภาวะที่สิ้นความอยากนะนิพพานคือสภาวะที่สิ้นความอยากใจของเราอยากตลอดรู้สึกไหมอยากโ น, น้นอยากนี่นะอยู่บ้านอยากมาวัดมาฟังเทศฟังเทศอยากกลับบ้านอะไรนี่นะออใจจะอยากไปเรื่อยพาเราดิ้นดิ้น ด, นด้นไปได้ใจไม่มีความสุขอยู่ดิ้นอยู่ตลอดเวลา นี่พระขบวัติท่านก็ตบอกว่าท่านเคยได้ยินพระพุทธเจ้าสอนนะบอกว่าเมื่อไหร่รู้ทุกเมื่อนั้นลาสมุทยัยเมื่อไหร่ลาสมุทัยเมื่อนั้นแจ้งนิโรธเห็นนิพพานเมื่อไหร่แจ้งนิโรธเมื่อนั้นเกิดอริยมรรคแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแค่นี้ท่านบอกว่าเมื่อไหร่ลาสมุทยัยเมื่อนั้นรู้ทุกแล้วก็แจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคเมื่อไหร่แจ้งนิโรธนะเมื่อนั้นนะ่ย รู้ทุกข์ลาสมูไทมไถ่เกิดอริยมรรคเมื่อไรเกิดอริยมรรคเมื่อนั้นรู้ทุกขลาสมูไทไถ่แจ้งนิโรธนะมุมใดมุมหนึ่งเหมือนโต๊ะตัวเดียวกันนี่มีสี่มุ ม, มจับเข้ามุมหนึ่งนะถ้ามีแรงมากยกขึ้นมาเคลื่อนหมดเลยทั้งสี่อันเป็นอันเดียวกันทั้งหมดเลยงั้นเวลาที่จิตรู้แจ้งเห็นแจ้งในอริยสัจเนี่ยจะรู้ทุกขลาสมูไทไถ่แจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคในขณะเดียวกัน นี่เป็นความอัศจรรย์ที่ไม่มีอะไรเหมือนนะเราไม่ใช่ศาสตร์ที่เป็นปรัช ญ, ญาเรื่อยๆลอยๆนะไม่ใช่การคิดเอาแต่เป็นสิ่งที่พวกเราเนี้ยสามารถที่จะปฏิบัติได้ปฏิบัติแล้ววันหนึ่งเราก็จะเห็นตามที่ท่านบอกนี้จริงๆถ้าเมื่อไหร่เราเห็นแจ้งแจ้งนะร่างกายนี้เป็นตัวทวุกความยึดถือในกายจะไม่มีอีกความทุกข์ที่เนื่องด้วยกายก็จะเข้ามาไม่ถึงใจร่างกายแก่จิตมันเห็นความจริง ของร่างกายและร่างกายไม่ใช่ของดีของวิเศษร่างกายแก่ใจไม่ถูกใจไม่ยอมรับได้มันไม่ใช่ของวิเศษอะไรพวกเราเห็นว่าร่างกายของเราเป็นของดีของวิเศษเรารักเราห่วงแผลงงั้นเป็นอะไรนิดเดียวนะเราก็รู้ใจนล้วน้ำเกี่ยวหน่อยเดียวเราก็ร่้ใจแลหรือเราอยากมีความสุข ต, ตลอดเวลานะเราดิ้นรนทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะให้ใจเป็นสุขเนะี่ยแต่ถ้าวันใดที่เราเห็นว่าจิต น, นี่คือตัวทุกข์นะความที่ตรดจะไม่เกิดขึ้นอีก เงนนพวกเราจะต้องมาค่อยๆเรียนรู้ถูกให้ได้นะรู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้รู้อย่างที่มันเป็นรู้อย่างที่มันเป็นวันหนึ่งใจก็จะเข้าถึงความรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจสีเห็นหมั้ยากไหมอริยสัจไม่เหมือนที่เคยได้ยินไหม <c oughs> ได้ยินที่เราได้ยินหน้ามันผิวเผินนะา ต้องภาวนานะจะเห็นแจ้งอริยสัจด้วยจิตจริงๆไม่ใช่ด้วยการคิดเอานะไม่ใช่ด้วยการอ่านไม่ใช่ด้วยการฟังธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นอัศจรรย์ที่สุดเลยนะคนอื่นเขากลัวทุกเกลียดทุกท่านสอนให้รู้ตัวคนอื่นเขาสอนให้สนองความอยากให้ได้ท่านสอนให้ละความอยากคนอื่นเขาสอนให้สแสวงหานิพพานท่านไม่ได้สอนให้สแสวงหานิพพานนิพพานอยู่ต่อหน้าเราแล้ว ถ้าใจเราหมดความอยากใจก็เห็นสัมผัสปณิพัพน์นเลยท่านสอนให้เราเข้าไปสัมผัสปิพาน์ไม่ได้สอนให้หาปณิพานไม่ได้สอนให้สร้างนณิพานขึ้นมาด้วยแล้วอริยามรรคก็ไม่ได้สั่งให้มันเกิดได้นะอริยามรรคสั่งให้เกิดก็ไม่ได้ท่านเทียบให้ฟังบอกว่าเหมือนชาวนาชาวนาเนี่ยเวลาฝนตกชาวนาเมืองไทยนะเวลาฝนตกก็ไปไถนาไถนาเสร็จ ก็ไปหวานข้าวหวานข้าวแล้วก็เสร็จแล้วก็ทํางานคือคอยดูแลระดับน้ําน้ํามากก็เอาออกน้ําน้อยเอาเข้าถึงเวลาแล้วข้าวออกรวงเองแลานบอกพิสูจทั้งหลายก็มีหน้าที่3อย่างนะคือศึกษาเรื่องศีลศึกษาเรื่องจิตศึกษาวิธีเจริญปัญญาแล้วเมื่อถึงเวลาแล้วอริยมรรคจะเกิดเองเหมือนต้นข้าวออกรวงเองเราสั่งให้อริยมรรคเกิดไม่ได้แต่เราทําเหตุที่จะเกิดอริยมรรคได้ เรางพ่อจะสรุปอย่างง่ายๆเลยนะเพื่อให้เราเอาไปทำได้จริงๆงานวันแรกที่ว่าเราศึกษาเรื่องศีลศนะีลเนี่ยถ้าเราศึกษาแบบอยู่ๆเราก็ไปขอจากพระนะของ่ายขอมาแป๊บเดียวเราก็คืนพระไปแล้วนะจริงๆการจะสื่อศีลเนี่ยนะเราตั้งใจเอาเองก็ได้ตั้งใจเอาเองว่าเราจะไม่ทำชั่วทางกายทางวาจาห้าข้อนั้นแหละเราไม่ทำ ถ้าทำแล้วเราเห็นทุกข <ś led> ์เห็นโทษถ้าเราปิดศีลเมื่อไหร่นะใจเราจะฟุ้งซ่านดังนั้นการที่เรามีศีลเนี่ยเพื่อเกื่อกูลให้เราเกิดสมาธิเท่านั้นเองนะเราพยายามมีศีลนะจะได้สมาธิที่ดีแล้วก็จะได้อนาคต์ที่ดีได้ชีวิตที่ดีได้ความสุขในต่อหลายๆอย่างแต่ตัวสําคัญก็คือใจเราจะมีสมาธิง่ายอย่างคนที่มีความรักความเมตตาคนอื่นใจจะสงบใช่ไหมคนที่คิดทําร้ายคนอื่นเนี่ยใจไม่สงบ คนที่เสียสละเพื่อส่วนรวมได้ใจสงบง่ายนะคนที่คิดจะเอาผลประโยชน์จากส่วนรวมหรือจากคนอื่นใจไม่สงบคนที่ซื่อสัตย์อยู่ในคู่ของตัวเองสงบนะคนที่นอกใจสามีพัญญาไม่สงบหรอกคนที่พูดมากฟุ้งซ่านใจไม่สงบหรอกพูดโกหกฟินรั้ น, นอะไไม่สงบหรอกที่จริงศีลเนี่ยนะถือไฟแล้วใจสงบวิธีที่จะถือศีลให้ดีที่สุดเนี่ยไม่ใช่ต้องไปขอใคร วิธีถือศีลให้ดีที่สุดหนึ่งก็คือการคอยรู้ทันจิตใจของเราเองคนทําผิดศีลได้เพราะอะไรเพราะกิเลสครอบงําจิตนี่คือเหตุผลข้อเดียวเลยอย่างเรามีความโกรธเกิดขึ้นเราไปทําร้ายคนอื่นได้ใช่ไหมเราไปแกล้งทําลายทรัพย์สินเขาก็ได้แกล้งไปหลอกลูกหลอกเมีย เ, ย, ยเขาก็ได้แกล้งไปใส่ร้ายเขาก็ได้แกล้งชมเขาก็ได้เพราะเราเคยไม่เกลียดคนนี้มากเลยแกล้งชมมันแกล้งยอมมันทำเสียคนไปเลย นี่เอามาหินมากเลยนะเป็นวิธีงั้นมีโทสะมีความโกรธตัวเดียวนะทำผิดศีลห้าได้หมดเลยหรือใจเราเซ็งเหี่ยวแห้งก็งไปกินเหล้าเมายาไปสูบกัญชาอะไรที่ได้สูบได้อิสระนี่ใช่ไหมแปลกดีเลยเริ่มมีโทสะตัวเดียวนะทําผิดศีลห้าข้อได้มีโลภะตัวเดียวทําผิดศีลห้าข้อได้เหมือนกัน ใจเราโลภนะเราก็ไปทํำลายเขาไปแย่งชิงสมบัติเขาไปรักไปขโมยไปชอบโกงเขาเรามีราคามีความโลภอยู่เป็นหลอกลูกหลอกเมียเขาหรือไปปริ้นต้อนหลอกหลวงเขาหรือเวลาพวกเรามีความสุขใจมันมีราคานะเวลามีความสุขกระดิกระดาเพลิดเพลินในความสุขก็ไปเฮฮาปาร์ตี้กินเหล้าเมาอยาคนไทยเนี่ยยอดมากเลยนะรู้ใจก็กินเหล้านะดีใจก็กินเหล้านะนะ ดังนัเวลาโทวารซเกิดนะทำผิดศี่ห้าได้ราคะเกิดทําผิดศีล5้าได้เวลาโมหะเกิดอย่างใจฟุง้งซ่านก็ทาผิดศีห่หได้ทั้งหมดนี่การที่เราผิดศี่ห้าเนี่ยเพราะกิเลสครอบงาจิตเท่านั้นเองพวกเรารู้จักโรคไหมรู้จักความโลภไหมความโลภรู้จักโกรธไหมรู้จักฟุง้งซ่านในไรพวกนี้ไหมเนกิเลสพวกนี้พวกเรารู้จักอยู่แล้วนะต่อไปนี้กิเลสอะไรเกิดที่จิตรู้บ่อยๆ โกรธขึ้นมาอย่าเพิ่งไปตีรขาโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธโลบขึ้นมาอย่าเพิ่งไปทําอะไรใครโอบขึ้นมารู้ก่อนว่าโลภให้คอยรู้ทันจิตของตนเองนี่นแหละเมื่อไรที่เรารู้ทันจิตนะกิเลสอะไรเกิดที่จิตเรารู้ทันนะมีกฎของธรรมะอันหนึ่งเรียกว่าธรรมชาติของของจริงนะเป็นธรรมะเลยเรียกว่าธรรมบัญญัมธรรมบัญญัมหมายถึงกฎของธรรมะอยู่ข้อหนึ่งกนะฎของธรรมะมีหลายข้อนะ ข้อหนึ่งก็คือถ้าเมื่อไหร่เรามีสตินะเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสดังนันถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันมีสติรู้ทันว่ากิเลสเกิดในใจเรารู้ว่ากําลังกโกรธเนี่ยจะหายกโกรธทันทีเลยรู้ว่ากําลังโลภนะจะหายโลภเองเลยไม่ต้องทำอะไรเลยต่อไปนี้นะพยายามเข้าพยายามรู้ทันโกรธขึ้นมารู้ทันนะคนทั่วไปเวลากโกรธเนี่ยจะไปนสนใจคนที่ทําให้เราโกรธเวลาโลภจะไปนสนใจสิ่งที่เราอยากได้หรือสิ่งที่เราชอบหรือหรือคนที่เรารัก อย่างเวลาเราเห็นคนสวยคนงามมาใช่ไหมเราจะดูเขาเราจะสนใจเขาเวลาเราโกรธใครสมมติหมาตัวนี้ชอบแอบมาอือหน้าบ้านเรานะเราจะสนใจหมาตัวนี้มากเลยนะสนใจเป็นพิเศษยิ่งกว่าพ่อแม่เราสิค่อยดูเราไม่เห็นว่าใจกําลังโกรธนะเราเห็นอะไรเห็นไอหมาตัวนี้หรือเราชอบคนนี้เราก็จะเห็นแต่คนนี้นะเราไม่เห็นว่าใจกําลังรักอยู่เราละเลยที่จะรู้ทันใจของตัวเอง ถ้าเราจะรู้เราก็รู้ได้ทุกคนเพราะเรารู้จัก โ, โลภโกรธหลงเป็นยังไงเรารู้จักแต่เราล้าเลยที่จะรู้เวลาโลภขึ้นมาเราก็ไปดูของที่เราชอบไปดูคนที่เราชอบเวลากโกรธขึ้นมาเราก็ไปดูคนที่เราโกรธไปดูสิ่งที่เราโกรธเวลาหลงขึ้นมาเราก็ลืมไม่ดูกายดูใจม่าหลงไปแล้วต่อไปนี้นะพยายามรู้ทันจิตบ่อยๆกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันแล้วเราไม่ต้องพูดเรื่องรักษาศีลศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นเพราะว่า กิเลสครอบงำจิตไม่ได้เมื่อกิเลสครอบงำจิตใจเราไม่ได้ศีลจะเกิดขึ้นเองเนี่ยเป็นวิธีรักษาศีลที่แสนจะง่ายพวกเราใครเคยขอศีลพระม้างไหมมีไห ม, มขอแล้วศีลขาดง่ายไหมแป๊เดียวก็ขาดแล้วไม่ออกนอกวันหรอกพอรับศีลเสร็จนะพระจะเทศให้ฟังก็คุยแข่งกับพระแล้วศีลขาดเรียบร้อยแล้วนะ พูดเพิรเจอร์สิขาดไปแล้วศีนดังพร้อยแล้วขาดง่ายนะ <laughs> เพราะอะไรเพราะไม่มีสติต่อไป น, นี้นะมีสติคอรู้ทันคิดเรื่อยๆรูๆ้เกิดขึ้นรู้ทันรู้ทันไปเรื่อยนะสินจะเกิดขึ้นฝึกให้ได้นะถ้าเรามีศีนแล้วสมาธิจะเกิดง่ายนะบางคนฝึกสมาธิแทบตายเลยแต่ไม่มีศีลไม่นานสมาธิจะเสือ่อมสมาธิจะเสือ่อมรู้จักชื่อเทวทัศน์มเทวทัตมีรายการทีวีนะ ในเมืองไทยเนี่ยเขาถามว่าใครเป็น <laughs> พ <away from> <laughs> ่อเจ้าชายสิทธัตถะก็ตอบเฉยเลยว่าเทวทัตพวกพวกเข้าวัดหัวล้อเลยตอบเข้ามาได้ยังไงเนาะเทวทัตกิจสมาธิดีนะปิดศีลเร่เรนะสมาธิก็เสื่อมเสื่อมถ้าเรารักษาศีลนะสมาธิเราจะดีขึ้น จากนั้นเราจะมปเรียนรู้บทเรียนที่สองนะของพุทธเจ้าคือเรียนรู้เรื่องจิตค่อยๆสังเกตไปจิตเนี้ยเป็นของที่ประณีตแต่ไม่เกิดความสามารถของเราที่จะเรียนรู้สังเกตไหมจิตเราเดี๋ยวก็สุขจิตเราเดี๋ยวก็ทุกข์จิตเราเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะจิตเราเดี๋ยวก็วิ่งไปเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังอย่างเมื่อวานใครมาฟังบ้างเมื่อวานยกมือสิ หลวพ่อสอนให้ดูดูพระพุทธรูปนึกออกไหมจิตเราวิ่งไปอยู่ที่พระนึกออกไหมเราเห็นคนอื่นนะจิตเราก็วิ่งไปอยู่ที่คนนั้นแหละหรือเวลาเราฟังอะไรจิตเราก็วิ่งไปที่คนนั้นอย่างคนไทยเรานิสัยเื้อเฟื้อเผืออ่อแผ่เห็นคนผัวเมียข้างบ้านคุยกันซุบซิบซุบซิ บ, ซ บ, ซ บ, ซบเบาๆนะเราก็พยายามฝึกพิภพโสฎนะมันคุยอะไรกัน <laughs> ขณะที่ตั้งใจฟังเขาลืมตัวเองใจไปอยู่ที่เขาใช่ไหม เมื่อเวลาที่เราดูนะใจเราไปอยู่ในสิ่งที่เราดูเวลาฟังใจเราก็ไหลไปอยู่กนะับสิ่งที่เราฟังนะเวลาเราคิดนะใจเราก็ไหลไปอยู่กับความคิดใจเราเนี่ยจะไหลตลอดเวลานะไหลไปได้หกช่องไหลทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองเวลากินของอร่อยในชะเราจะรู้รสชาตินี้มันมากเด็ดขาดถูกอกถูกใจแซบหลายอะไรอย่างเงี้ยใจไปอยู่ที่รสนะใจมันลืมตัวเอง แม้ใจของเราเนี่ยจะไหลตลอดเวลานะจะลืมตัวเองตลอดเวลาให้อาศัยสติ น, นี่ลรู้ทันใจที่เคลื่อนไปถ้าสมาธินจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติสมาธิคือใจเนี่ยไม่เคลื่อนใจตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้สัง่งถ้าสั่งให้ใจตั้งมั่นเนี่ยจะอึดอัดสมาธิจะไม่เกิดแล้อสมาธิจะเกิดนะโดยสบายใจต้องสบายใจแล้วก็ถ้าใจเราเคลื่อนเรารู้ทันใจเราเคลื่อนเรารู้ทัน สังเกตไหมใจเราเคลื่อนไปเคลื่อนมาตลอดเวลาดูออกไหมจะเคลื่อนไปเคลื่อนมาเนี่ยก็เคลื่อนไปคิดเวลานั่งฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยบางทีก็มองหน้าหลวงพ่อวิธีสลับไปตั้งใจฟังใช่ไหมฟังแล้วก็สลับไปคิดสังเกตไหมฟังไปคิดไปใครเห็นบ้างว่าฟังไปคิดไปเรายกมือซิมีไหมใครเห็นว่าฟังอย่างเดียวไม่ได้คิดเลยถ uh ้าฟังอย่างเดียวไม่ได้คิดเลยจะฟังไม่รู้เรื่องฟังอย่างเดียวไม่คิดเลย จะอย่างนี้นะแทจ้จริงนะใจเราเนี่ยสลับตลอดเวลาเลยนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวฟังเดี๋ยวคิดเลยกลับบ้านไปดูทีวีนะมีแม็กซทีวีที่บ้านไปดูเวลาดูทีวีเนเดี๋ยวตาก็มองเดี๋ยวหูก็ฟังเดี๋ยวใจก็คิดจะสลับไปสลับมานะเราไม่ได้ทำทั้งสามอย่างนี้พร้อมๆกันนะแต่ทำสลับกันเพราะอะไรเพราะมีกฎของธรรมะอยู่ข้อหนึ่งนี่กัน จิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวเมื่อจิตไปดูจิตจะไม่ฟังเมื่อจิตฟังจิตก็ไม่ดูไม่คิดเมื่อจิตคิดจิตไม่ดูจิตไม่ฟังเวลาที่เราไหลคิดหลงไปคิดใช่ไหมตาเราเบลอไปแล้วตาเราจะไม่ค่อยเห็นเราจะทดสอบดูนะมองหน้าหลวงพ่อหลวงพ่อจะแสดงปฏิหารให้ดู มองให้ดีนะแล้วจะเห็นว่าเห็นหน้าหลวงพ่อชัดแว บ, บเดียวเทนะ่านั้นแล้วเบลอๆไปต้องขยับตานิดนึงเพื่อจะมองใหม่ลองดูสิจริงไหมเห็นไหมต้องคอยขยับลูกตาเป็นระยะระยะห<ม>เห็นชนัดได้แว บ, บเดียวรู้สึกไหมเนี่ยปฏิหารนะไปดูหมาก็เหมือนกันนะเ <laughs> พราะจิตเรนรู้อารมณ์ได้แว บ, บเดียวน ะ, ะเวลาเห็นอะไรก็เห็นได้ทีละแว บ, บเดียวเท่านั้น เนี่ยสิ่งเหล่านี้นะอยู่กับเรามาแต่เกิดเราไม่เคยรู้เราไม่เคยเห็นนะอาศัยพระพุทธเจ้ามาพาให้เรารู้จิตที่เกิดทางตาก็เกิดทีละขณะจิตที่เกิดที่หูก็เกิดทีละขณะจิตที่เกิดทางใ จ, จ, จก็เกิดเป็นขณะขณะเหมือนกันนั้นมาจะเวลาที่ไปดูเ네นี่ยจะไม่ฟัง <like> นะเวลาที่ฟังก็ไม่ได้ดูแล้วก็ไม่ได้คิดเวลาที่คิดก็ไม่ได้ดูได้ฟังนะสังเกตดูตอนที่นั่งฟังหลวงพ่อเทศเนี่ย ฟังแล้วเราสลับไปคิดสังเกตดูตอนที่คิดเนี่ยเราจะไม่ได้ดูหลวงพ่อหรอกจะเบลอๆไปนะจะไม่ชัดหรอกแล้จิตเน้่รู้อารมณ์ได้คลาสเดียวแล้วมันสลับตลอดเวลาเดี๋ยววิ่งไปดูเดี๋ยววิ่งไปฟังเดี๋ยววิ่งไปคิดการที่มันวิ่งไปร่อนเร่ไปเนี่ยภาษาไทยมีคําว่าโคจรรู้จักไหมโคจรโคจรแปลว่าทางไปของบัวโคแปลว่าบัวอ้าวไม่ได้แกล้งหรอกนะโคจรา ทางไปของวัวท่านเทียบใจเราเหมือนวัวเดี๋ยวก็จรไปทางตาจรไปทางหูจรไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจอนไปด้วยเวลาจรมากๆเขาเรียกว่าอะไรจอนจัดรู้เอาไหมรู้จักคำนี้ไหมจรจัดจอนมากเลยไฟปุ๊บปุ๊บปุ๊บพวกจรจัดเหนื่อยไหมเหนื่อยใจของเรานี่แหละจอนจัดตัวจริงเลย จอนทั้งวันเลยเดี๋ยววิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูวิ่งทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจใจจะหาความสงบได้ยังไงมันเทื่อวร้อนเร่ตลอดเวลาอาศัยสติรู้ทันใจที่มันจรจัดใจมันเคลื่อนไปรู้ทันใจมันเคลื่อนไปรู้ทันมันจะตั้งมั่นขึ้นมาจะได้สมาธิขึ้นมางั้นวิธีที่เราจะได้สมาธินะก็อาศัยสติรู้ทันจิตที่มันเคลื่อนไปเคลื่อนมานี่แหละแล้วมันจะหยุดเคลื่อนของมันเอง อย่าไปรักษาไว้อย่าไปบังคับไม่ให้เคลื่อนนะถ้าบังคับให้ไม่ให้เคลื่อนใจจะแน่นๆจะอึดอัดใช้ไม่ได้จริงเป็นสมาธิที่ไม่ดีเลยจะอึดอัดเวลาที่เรานั่งสมาธิมันจะอึดอัดรู้สึกไหมนักนั่งสมาธิวันนี้อุตส่าห์ย้ายที่นั่งแล้วเลื่อนขึ้นมาที่หนึ่งจําได้อยู่หรอมีสตินะรู้ทันกิเลสจะได้ศีล มีสติรู้ทันใจที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาจะได้สมาธิมีสติรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของกายของใจจะได้ปัญญานะเราเห็นไหมร่างกายมันนั่งอยู่เห็นไหมร่างกายมันหายใจอยู่ใจเราเป็นคนดนะูแต่ถ้าใจเป็นคนดูขึ้นมาปุ๊บจะรู้สึกทันทีเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายจะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คิดเอานะศาสนาพุทธไม่ใช่ปรัชญาไม่ใช่ศาสนาที่คิดคิดเอาเอง ไม่ใช่เมตาฟิสิกนะพี่ขีนเอาเองแต่ว่าเป็นาศาสนาที่พาเราประตูของจริงๆที่กําลังปรากฏจริงๆเลยนะเราดูสิใจเราถ้าใจเราตั้งมั่นขึ้นมาใจิตใจเรามีสมาธิอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างแท้จริงไม่เคลื่อนไปเคลื่อนมานะเราจะเห็นว่าร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่อีกส่วนหนึ่งเราจะเห็นว่าความสุขความทุกข์เนี่ยแยกไปอยู่อีกส่วนหนึ่งใจก็อยู่อีกส่วนหนึ่งกายก็อยู่อีกส่วนนึงมันจะแยกกันไปเรื่อย หลวงพ่อจะพาพวกเราให้ดูนะค่อยๆหัดแยกไปทำไมต้องสอนแบบนี้เพราะเวลาที่จะเจอกันเนียมันหายากหลวงพ่อก็จอดจัดเหมือนกันนะจะจอดไปเรื่อยๆโอกาสที่จะเจอกันมีน้อยเพราะงั้นเรียนนะเรียนแบบหลักสูตรแอดวานซ์เลยนะพัฒนาก้าวหน้าเต็มที่เลยเราขยับมือสิทำใจสบายก่อนขั้นแรกขั้นแรกยิ้มหวาน ยิ้มหวานยิ้มอย่างมีความสุขนะแล้วมีใจที่มีความสุขนะอาศัยใจที่สบายสบายมีความสุขอย่เนี้ยเห็นร่างกายไปขยับเรขยับมือด้วยใจที่สบายสบายนะอย่าไปทําใจเคร่งเคร่งขรึมนะอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้นะเงี้ย <c oughs> <c oughs> จากนี้ากายกับใจรวมเป็นก้อนเดียวกันเลยนะยิ้มหวานหวานเ น, นี่ยขณะเนั้ยใจกาลังผ่อนคลายต้องพยักหน้าสินะยักหน้าสบายสบายรู้สึกไหมไอ้ตัวเนี้ยมันเคลื่นไหวอยู่ ใจเราเป็นแค่คนดูนะการหายใจนี่ขนละอันกันกลับบ้านไปฝึกนะตัวนี้ตัวสําคัญเลยเวลาจะเดินปัญญาเนี่ยก่อนที่จะถึงขั้นเจริญปัญญาได้ก่อนจะถึงขั้นวิปัสสนากรรมฐานนะต้องแยกรูปแยกนามใจรูปปะธรรมนามธรรมแยกออกจากกันร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูได้นะถ้าแยกรูปแยกนามไม่ได้อย่ามาคุยอวดเรื่องวิปัสสนาเลยทำไม่ได้หรอกนะงั้นพยายามนะฝึกซ้อมของเราอันนี้ไม่ได้ใจทื่อไป ใจแข็งทืง่อย่างนี้นะมันจะไม่แยกหรอกต้ใช้ใจที่ผ่อนคลายนะใจที่มีสมาธิจะผ่อนคลายนะใจที่ผ่อนคลายรู้ตัวสบายๆเอายิ้มหวานๆยิ้มอย่งมีความสุขสิไม่ต้องยิ้มแบบอยาดเยิมนะอะไรๆนี่มไม่เอามันโอเวอร์ไปเนี่ยใจตอนนี้มันคลายตัวรู้สึกไหมเนี่ยเห็นได้ตัวนี้กาลังปวดรอ้อได้ไหม เห็นไอ้ตัวนี้กําลังยิ้มได้ไหมถ้าเห็นได้ไอ้ตัวนี้พยายามหน้าไอ้ตัวนี้นั่งหายใจอยู่ถ้าเห็นได้อย่างนี้ยมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมานะร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันเหมือนเปลือกเหมือนถ้านะเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่จิตมาอาศัยอยู่เท่านั้นเองมันเป็นโปร่งนะเป็นโปร่งเป็นถ้าที่จิตมาอาศัยอยู่เท่านั้นองไม่ใช่ตัวเรา เพรฉนที่โลวงอสอนให้เนี่ยนะจะเป็นศาสตร์ในการถอดถอนความเห็นผิดว่ามีตัวเราในเบื้องต้นนะจะถอนความเห็นผิดว่ามีตัวเราในเบื้องปลายเนี่ยจะเป็นศาสตร์ที่ให้เห็นว่าสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราคือรูปนามกายใจเนี่ยคือตัวทุกข์ไม่ใช่เราแต่เป็นตัวทุกข์เบื้องต้นเนี่ยเราจะเรียนให้เห็นก่อนว่าไม่ใช่ตัวเราเอายิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มอย่างสบายใจเห็นใ้ตัวนี้ยิ้มไหม ลองยิ้มซิยิ้มแล้วเห็นได้ตัวร่างกายกําลังยิ้มอยู่ลองทําหน้าบึง้งซิทําหน้าบึง้งเหมือนกําลังโกรธใครอย่างร้ายแรงทําหน้าบึง้งแล้วเห็นได้ตัวนี้หน้าบึ้งไห ม, ไมเห็นด้วยใจนะไม่ไม่ต้องเอากระจกมาส่องหรอกดูด้วยความรู้สึกลองขยับมือซิขยับแล้วก็แค่รู้สึกนะว่าร่างกายเคลื่อนไหวอย่าขยับแล้วเอาจิตไปจ้องไว้ในมือนะบางคนทําจังหวะเอาจิตไปจับ เพ่งอยู่ที่มือตื้อๆเลยทําผิดแล้วนั้นเป็นสมถะล้เพ่งมือเห็นไหมท้องของเราพองท้องยุบแค่รู้สึกนะแค่รู้สึกว่าท้องพองแค่รู้สึกว่าท้องยุบลักเห็นว่าร่างกายกําลังเคลื่อนไหวอยู่ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นอย่างนี้ถึงจะใช้ได้ถ้าไปเพ่งใส่ท้องแล้วท้องพองท้องยุบท้องพองเรางยเพ่งอยู่ที่ท้องเป็นสมถะเป็นสมถะเฉยๆ งั้นพวกเราต้องแยกให้ออกนะว่าเดินจิตยังไงจะไปติดสมถะเดินจิตยังไงจะขึ้นมีปัสนาได้จะเดินปัญญาได้ถ้าแยกไม่ออกแล้วก็ชาติเนี้ยยังไม่ได้มักผลหรอก ต, ต้องถูกไปอีกผู้อีกนานใครใจลอยบ้างสารภาพมาดูอย่าไปปรครองจิตอย่างนั้นนะทำจิตอย่างนี้นไม่ถูกเนะนี่ยนึกออกไหม หลวงพ่อทำหน้าให้ดูไม่เอานะปล่อยให้ได้นะติดสมถะมันติดเพ่งถ้าเพ่งอยู่อย่างนี้ยวิปัสสนาไม่เกิดมันเป็นสมถะคือสมาธิชนิดที่จิตเพ่งนิ่งๆอยู่สมาธิที่จะใช้เดินปัญญาเนี่ยจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าเรารู้ตัวอยู่เรื่องรู้ตัวอยู่เห็นต้องพยักหน้าสิเห็นร่างกายพยักหน้าไหม เนี่ยไปฝึกนะไปซ้อมจนกระทั่งเห็นว่ากายกับใจเนี่ยเป็นคนละอันกันพอคนละอันกันมันจะรู้สึกเลยว่าร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุนี้มาฝึกให้ก้าวหน้าต่อพีอ่แยกให้มากขึ้นอีกนั่งนานานนั่งให้มันเมื่อยไปเลยนั่งทีแรกสบายนั่งนานา น, านมันเมื่อยเห็นไหมความเมื่อยเนี่ยไม่ใช่ร่างกายร่างกายมันนั่งอยู่ก่อนใช่ไหมความเมื่อยมันค่อยๆเพิ่มขึ้นมา แล้วความเมื่อยก็ไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าถ้าเราเห็นอย่างนี้นะอาจจะพบว่ากายก็อยู่ส่วนหนึ่งความปวดเมื่อยอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่อีกส่วนหนึ่งความปวดเมื่อยจะไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์ทั้งหลายจะไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้นเองพอปวดเมื่อยมากๆนะใจเริ่มกระสับกระส่ายความปวดอยู่ที่ร่างกายความกระสับกระส่ายอยู่ที่จิตเพราะนั้นความกระสับกระส่ายกับความปวดเมื่อยนี้ก็คุณล้านกัน ภาษาไทยเรียกว่าคนละส่วนกันภาษาบาลีเรียกว่าคนละขันกันเคยได้ยินคำว่าขันห้าไหมอย่าไปตกใจคำว่าขันห้านะขันเนี่ยแต่ว่าส่วนแต่ว่า Division ภาษาตัสย์ว่าไงไม่ถูกนะผู้โดยสารที่เกฤดเป็นส่วนส่วนแยกส่วนสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยแยกส่วนออกไปได้5ส่วนส่วนของร่างกายส่วนของความรู้สึกสุขทุกข์ส่วนของความจําส่วนของความปรุงดีปรุงชั่วเช่นรบตรวรหลอง ส่วนของความรับรู้คือจิตคือจิตเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยแยกได้เป็น5ส่วนพอเราแยกได้ผัดแยกไปเรื่อยนะมันจะค่อยแยกได้นะทีแรกแยกกายกับใจเป็นร่างกายเป็นยิ้มใจเป็นคนดูนั่งไปนานๆนะความปวดเมื่อยมันเกิดให้เห็นความปวดเมื่อยกับร่างกายก็โคนลกันความปวดเมื่อยกับจิตก็คนละกันอย่างนี้ก็แยกได้อีกนะหรือมีความสุข พวเรารู้สึกไม้มส่วนใหญ่ในห้องนี้นะมีความสุขที่ใจรู้สึกหสังเกต ด, ดูความสุขไม่ใช่ใจเรามันเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้านะค่อยๆสังเกต ด, ดูในใจเนี่ยไอ้ความสุขที่เกิดขึ้นมันจะค่อยๆหายไปจะกลายเป็นอุเบกขาเฉยๆไม่สุขหรอกขณะ น, นี้สังเกตไหมใจส่วนใหญ่เริ่มเป็นอุเบกขาแล้วนะยกเว้นมีไม่กี่คนที่ยังสุขอยู่นี่ยังสุขอยู่นะมีไม่เท่าไหร่หรอก สวนใหญ่ชงเบรกค่ส่วนคนนี้ยังปลื้มไม่หายตั้งแต่เมื่อวานยันวันนี้เลยนะให้รู้ทันนะมีปิติปิติก็เป็นอีกส่วนหนึ่งปิติเรียกอยู่ในกองสังขารจะได้ยินไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ า, ญญ า, ญญาตัวรูปในรูปประธรรมเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์อยู่ที่กายบ้างอยู่ที่ใจบ้างสัญญาคือตัวความจําได้หมายรู้อันนี้อยู่กับใจ สังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วนี่เกิดที่ใจนะวิญญาณคือตัวความรับรู้คือจิตที่เกิดที่ตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างที่ลิ้นที่กายที่ใจบ้างที่หลวงพอ่อบอกว่ามันเป็นโคจรนะจิตไม่เกิดดับอยู่ทางทวารทั้งหเราจะค่อยๆแยกสิ่งที่ตัวเรานะจนแยกออกมาเป็นส่วนๆเป็นกองๆเป็นขันขันเนี้ยแล้วเราจะพบว่าแต่ละขันเนี้ยไม่มีตัวเราร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราความสุขทุกข์ไม่ใช่ตัวเรานะ ความจำไม่ใช่ตัวเราความปรุงดีปรุงชั่วไม่ใช่เราจิตที่เป็นคนไปรู้ก็ไม่ใช่เราฝึกมากๆนะบางคนจะเจ็ดวันเจดเดือน7ปีแล้วแต่ละคนไม่เท่ากันนะทําให้ถูกบุกคนแค่อาทิเดียวเองนะก็เข้าถึงธรรมะได้บางคนไม่กี่เดือนก็เข้าถึงธรรมะได้บางคนไม่กี่ปีก็เข้าถึงธรรมะได้ได้พระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยจะมีสภาวะที่ไม่เหมือนพวกเรา พวกเราจะรู้สึกว่านี่คือตัวเราในขณะที่พระโสดาบันจะเห็นว่านี่เป็นแค่ขันขันท่ามีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของไม่ใช่ตัวเราขันท่านั้นทำงานได้ร่างกายก็ทำงานได้ความสุขทุกก็ทำงานของความสุขทุกความดีความชั่วก็ทำงานแบบพรุงดีพรุงชั่วไปจิตก็ทำหน้าที่รับรู้ไปขันแต่ละขันทำหน้าที่ไม่มีผู้กระทาไม่มีเราผู้กระทา ขันมีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของขันทำงานแต่ไม่มีผู้กระทาเนี่ยใจมันจะรู้สึกอย่างนี้นะเมื่อมันไม่มีผู้กระทามันจะไม่มีผู้ไปรองรับความทุกข์นะร่างกายแก่ก็คือร่างกายแก่ไม่ใช่เราแก่ะร่างกายเจ็บร่างกายตายก็คือร่างกายมันเป็นตัวทาไม่ใช่เราไม่มีเราอะไรเกิดขึ้นมันจะไม่มีเราออกเสนอหน้าไปรับความทุกข์นั้นใจจะไม่ทุกข์เท่าไหร่หรอกความทุกข์เหลือน้อยเต็มทีเลย ค่ฝึกไปได้แล้วต่อไปมันจะมีปัญญาแก่รอบขึ้นนะมันจะเห็นเลยว่า้ร่างกายจิตใจที่ไม่ใช่ตัวเราแล้วมันเป็นตัวอะไรมันเป็นตัวทุกข์มันมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยทุกข์มากกับทุกข์น้อยถ้าเห็นไปได้นะถึงจุดหนึ่งอริยมรรคชั้นสูงก็จะเกิดขึ้นเป็นลําดับลําดับไปไม่ใช่สิ่งที่เหลือพิสัยที่คนธรรมดาอย่างพวกเราจะทําได้ถ้าเราเข้าใจศาสตร์ของพระพุทธเจ้าคือการรู้ทุกข์นี่แหละแต่ก่อนที่จะรู้ทุก ก็จะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงได้ใจก็ต้องตั้งมั่นเป็นคนดนะูต้องมีศีลห้าเป็นพื้นฐานไว้เพืาะนพวกเรารักษาศีลห้าไว้แล้วก็ด้วยการคอยรู้ทันเวลากิเลสอะไรเกิดรู้ทันนะสี่ห้ามันจะเกิดพวกเราคอยฝึกจิตให้มีสมาธิที่ถูกต้องคือมีสติคอยรู้ทันเวลาจิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาสมาธิจะเกิดเองไม่ต้องไปบังคับให้มันตั้งมั่นอยูนะ่แค่รู้ทันว่ามันเคลื่อนสมาธิจะเกิดเอง แล้วก็คอยดูกายคอยดูใจนะมันทำงานเป็นส่วนๆไปจะเห็นว่าไม่มีเราเลยฝึกให้ได้นะนี่เป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้านะที่คำสอนอย่างนี้ไม่มีในที่อื่นเป็นการรู้กายรู้ใจทั้งหมดเลยเงินรู้ขันห้านี่แหละที่ว่าขันห้าคือตัวทุกนี่แหละคือศาสตร์แห่งการรู้ทุกแล้ววันหนึ่งจะพ้นจากทุกถ้าหนีทุกไม่มีทางพ้นทุกเลยเพอจะหนีนะ มาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจไปให้มากๆากแล้วหลวงพ่อแนะนํานะหลวงพ่อคงไม่ได้มาง่ายๆหรอกต้องไปที่โน้นที่นี้เรื่อยๆเราฟังซีดีไว้ถ้าไม่มีซีดีก็ไปฟังในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะไปฟังแล้วฟังอีกนะแล้ชีวิตเราจะเปลี่ยนจะรู้ว่าที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี้ยมันจริงๆนะมันไม่ใช่เรื่องหลอกลวงเลยต้องภาวนานะ ทุกวันนี้มีคนที่เป็นพยานการปฏิบัติให้หลวงพ่อเนี่ยนับจำนวนไม่ท่นวนนะเขาบอกมาสารภาพเลยว่าที่หลวงพ่อสอนเนี่ยจริงเขาเห็นแล้วว่าจริงในพวกเราคงไม่ได้โง่กว่าคนอื่นเขาหรอกนะเพียงแต่ว่าขยันดูหน่อยตั้าอกตั้งใจดูไปเรื่อยๆถ้าสงสัยก็ไม่ไปถามใครมากสงสัยก็เปิดซีดีฟังนะจะมีทุกคำตอบซีดีหลวงพ่อนะไม่ใช่ซีดียงอื่นนะ จะสงสัยว่าจิตมันทํางานมีกี่ขั้นตอนอย่างเงี้ยนะไปเปิดซีดีเพลงฟังคงไม่เห็นหรอกนะอดทนนิดหนึ่งนะแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นนะบางคนก็บอกทุกวันนี้ดีอยู่แล้วลองภาวนาสีเราจะพบว่าทุกวันเนี้ยไม่เอาไหนเลยนะชีวิตจะดีกว่านี้อีกดีอยู่แค่นี้ไม่พอหรอกนะต้องอดทนนะ พรอแม่แนะนําว่าเรียนที่เรียนคนนี้เรียนคนนี้เรียนหลายๆที่นะ ไ, ได้กินหนอกฟังที่หลวงพอสอนแลปฏิบัติให้เด็ดเดียวไปนะในเวลาไม่กี่เดือนเราจะเข้าใจถ้าเข้าใจแล้วต่อไปเราไปฟังไม่ว่าพระองค์ไหนเทศหรือไปอ่านธรรมะเล่มไหนนะเราจะเข้าใจเราจะรู้เลยว่าคนนี้องค์นี้หรือคนนี้พูดธรรมะอยู่ในจุดนี้องค์นี้พูดอยู่จุดนี้ ส่วนใหญ่ที่ครูบาอาจารย์สอนที่พระสอนกันเนี่ยจะสอนจากประสบการณ์เคยทํำยังไงก็จะให้พวกเราทําแบบนั้นเคยทํามาแบบไหนก็จะให้เราทําแบบนั้นแต่สิ่งที่หลวงพ่อสอนไม่ใช่อย่างนั้นนะหลวงพ่อสอนเนี่ยสอนหลักให้ส่วนเราจะไปทําแบบไหนก็ตามใจเราเนะนแต่เราทํานั้น คนไหนถนัดรู้กายก็ไปรู ก, กายคนไหนถนัดดูจิตก็ไปดูจิตคนไหนถนัดรู้เวทนาก็ารู้เวทนาแต่หลักของการรู้ต้องถูกต้องเนั่นสิ่งที่ถ่ายทอดให้ Я, คือหลักของการปฏิบัติไม่ใช่รูปแบบของการปฏิบัติส่วนใหญ่ที่เขาสอนกันมันจะเป็นผิวๆของการปฏิบัติเช่นต้องเดินอย่างนี้ต้องนั่งอย่างนี้ต้องทําอะไรต้องทําอย่างนี้อย่างนี้บางคนเนื้อทำช้ามากเลยนะหยวน้ำเนี่ยจ ะ, จ, ะจะกินน้ํา ไตาวายไปก่อนแล้วยังไม่ได้กินน้ําเลยนะมันเวอร์ไปนะหรือส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติเนี่ยร้อยละร้อยนะที่พูดแบบซื่อๆนะเกือบร้อยละร้อยอนะเท่งทั้งนั้นเลยไม่บังคับกายข้อบังคับใจงั้นเลยอย่าไปบังคับกายอย่าไปบังคับใจนะให้รู้กายอย่างที่กายเป็นให้รู้ใจอย่างที่ใจเป็นแล้วถึงจะได้หลัก บังคับนะันั่งเถียงกันดูท้องฟองยุบดีหรือจะรู้ลมหายใจดีหรือจะขยับมือทำจังหวะดีถ้าทำแล้วเพ่งท้องเพ่งลมเพ่งมือมันก็ผิดเหมือนกันหมดนั่นแหละนะก็ผิดอย่างเดียวกันถ้ามีท้องฟองยุบนะใจเป็นแค่คนดูเห็นท้องไม่ใช่เราเห็นตัวที่หายใจอยู่ไม่ใช่เราเห็นตัวที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่เรามันก็ถูกเหมือนกันแหละหงั้นกรรมาฐานอะไรก็ได้นะทางใครทางมัน และแต่ความถนัดของแต่ละคนแต่หลักนั้นต้องแม่นถ้าผิดหลักนะจะได้แต่เปลือกของการปฏิบัติเดินสวยมากเลยเช่นจะยกเท้านะต้องยกสูงเท่านี้ขยับเท่นี้ก่อนนะยกขึ้นมาสูงเท่านี้เลื่อนไปเท่านี้ลงอย่างนี้อย่างนี้นะอย่างนั้นไปหัดเล่นอะไรโยทิด น, นะหัดเดินให้มันสวยเนี๊ยบรอมๆกันไปเลยนะหลวงพ่อไม่เปิดคอร์ส ไม่เคยเปิดคอร์สนะที่ว่ามีแต่ว่ารวมกลุ่มจะไปเรียนเองทาําไมหลวงพ่อไม่จัดคอร์สเพราะพระพุทธเจ้าไม่เคยจัดเวลาเราไปเรียนธรรมะจากพระพุทธเจ้าเราไปฟังนะไปฟังพระุทธเจ้าจะสอนหลักให้พอเข้าใจหลักแล้วท่านก็จะเริ่มไล่ไล่โนโดนโคนไม้นี่เรือนว่างนะี่ผูกเขานี่ถ้านะนี่หลอมฟังแยกย้ายกันไปต่างคนต่างไปพาวนาะ คนไหนถนัดพอนากลางวันก็พอนากลางวันนอนกลางคืนคนไหนถนัดพอ out, นากลางคื น, น, นกลางวันจะนอนชุดบ้างก็ได้นะแล้วก็ไปพอนากลางคืนเนี่ยตอนนี้ควรจะเดินจงกรมสําหรับคนนี้เขาก็เดินตอนนี้เขาควรจะนั่งเขาก็นั่งตอนนี้ควรจะนอนเขาก็นอนเวลาเราจัดคอร์สเราต้องบังคับทุกคนทําพร้อมๆกันนถ้าหลงอา้าวจัดเราจะจัดคอร์สเอาคนที่เดินคนนี้นอนเดี๋ยวก็เหยียบกันเลยไม่ต้องทํำอะไรเหมือนๆกัน พระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ทําอย่างนั้นนะไม่ได้สอนอย่างนั้นนะทางทางนี้เป็นทางที่ต้องเดินด้วยตัวคนเดียวเป็นทางของคนกล้าเรียกว่าเอกายนามะทางที่ไปคนเดียวนั้นทางใครทางมันพวกเรามีใครเป็นคนอีสานมั้งมีไหเนี่ยมาที่อีสานไหมเคยได้ยินกลอนโบราณทางอีสานไหมบอกว่าคนหลายคนกินน้ําบ่อดเดียวเดินทางเดียวไม่เหยียบรอยกันว่าเหยียบรอยกัน ไปกินน้ำหมดเดียวกันนะแต่ว่าทางใครทางมันคาว่าทางใครทางมันเนี่ยถ้าเราภาวนาเป็นแล้วเราจะเห็นอย่างนั้นจริงๆเหมือนอย่างเราขึ้นภูเขาเวลาเราจะเห็นภูเขาซึ่งลูกเราอยากขึ้นภูเขาเราจะดูขึ้นทางนี้ดีแล้วก็เราก็ขึ้นไประหว่างที่เราขึ้นเขาเนี่ยเราจะคิดว่าทางนี้แหละดีที่สุดนะแต่ถ้าเราขึ้นถึงยอดเขาเมื่อไหร่เราจะพบว่าทางขึ้นเขามีทุกทิศ ท, ทางเลยมีทั้งสี่ทิศเลย งการที่เราจะเจริญปัญญาจนบริสุทธิ์หลุดพ้นนะมีทั้งสี่ทางดูกายก็ได้ดูเวทนาก็ได้นะดูจิตก็ได้ดูสภาวธรรมก็ได้นะกายเวทนาจิตธรรมสี่ทิศทางได้หมดเลยดูกายก็จะเห็นอะไรกายใครเป็นคนดูใจเป็นคนดูก็จะเห็นทั้งกายทั้งใจไม่ใช่เรากายทั้งใจทั้งใจเป็นตัวทุกข์ ดูเวทนาเวทนาอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายอยู่ที่ใจนะก็จะเห็นกายเห็นใจด้วยนะดูจิตตสังขารจิตเดี๋ยวดีจิตเดียดเด๋ยวชั่วจิตทําไมดีทําไมชั่วเปลี่ยนไปเรื่อ ok ยๆเพราะตามองเห็นจิตก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงจิตก็เปลี่ยนใจคิดจิตก็เปลี่ยนไม้กายกับใจเนี่ยมันเนื่องกันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะดูในฐานใดนะก็จะเข้าใจความเป็นจริงทั้งกายทั้งใจจะเข้าใจ อ, อันเดียวกันนะนะแต่ว่าทางกายทางมันแล้วแต่ความถนัดนะไม่ใช่ทุกคนต้องทําเหมือนกัน แล้วธรรมะก็ไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดกันเพลาะๆนะพูดกันหวือหวือหอวาๆวาวาล่องๆ ล, ลอยๆอะไรนะธรรมะเป็นของจริงนะดูจากของจริงเลยภาษาธรรมะเนี่ยซื่อๆภาษาธรรมะจะไม่หวานพิ้วไฟร้อเพร้อพริ้งนะหาสาระอะไรไม่ได้เลยนะดูของจริงในตัวเราในกายในใจของเรานี่แหละแล้ววันหนึ่งอยากเข้าใจเข้าใจเมื่ อ, อไหรชีวิตจะเปลี่ยนนะเข้าใจมากก็เปลี่ยนมากนะเข้าใจน้อยก็เปลี่ยนน้อย ถ้าไม่เข้าใจเลยชีวิตจะเปลี่ยนไหมเรียนเรียนเร็วลงเรื่อยๆมันไม่คงที่หรอกไม่มีอะไรเที่ยงเนะเรียนอย่างสาวๆนะแต่งงานใหม่ๆสามีทำอะไรไม่ถูกใจก็บ่นนิดหน่อยใช่ไหมบ่นไปหลายๆปีชักมีทักษั่งนะชำนาญนบ่ น, ะบนมนาตั้งแต่ตื่นยันหลับเลยต่อไปตอนแก่นี่นะฝากแงะๆอย่างนี้นะหุบไม่ลงเลย พูดตลอดวันใครรู้สึกตัวเองว่าขี้บน่นบ้างมีไหก่อนจะขี้บน่นอ่ะรู้สึกไหมบนนิดหน่อยก่อนสะสมนะเพราะงั้นทั้งดีและชั่วเนี่ยอยู่ที่การสะสมเราจะสะสมดีหรือสะสมชั่วล่ะเรามีอิสระที่จะเลือกนะเรมีอิสระที่จะเลือกนะสู้นะตัวหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์เนะี่ยไม่ได้เรียนมากเรียนจากครูปูดุล สองครั้งครั้งแรกไปเรียนท่านบอกว่าอา่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองมาดูจิตจะดูไม่เป็นไปจ้องจิตเพ่งจิตจิตก็ว่างอย่างนั้นนะว่างอยู่ทำผิดอยู่สามเดือนนะจิตทรงตัวรู้ตัวได้เด่นดวงอยู่อย่างนี้สามเดือนไปรายงานหลวงปู่่าดูจิตเป็นละหลวงปู่บอกว่านี่แทรกแสงแทรกแสงจิตยังไม่ได้ดูจิตเไปดูใหม่ นะไปดูอยู่อีกสี่เดือนมาส่งกันบ้านครั้งที่สามหลวงปู่บอกว่าเข้าใจแล้วช่วยตัวเองได้แล้วต่ครปนี้ไม่ต้องอาศัยท่านก็ได้แค่ว่านี้นะพึ่งตัวเองได้ใช้เวลาเจ็ดเดือนในการภาวนาแล้วอพวกเราขยันหน่อยนะขยันดูเข้าเราจะาเปลี่ยนตัวเองในเวลาไม่กี่เดือนนะช่นะชูวนะ <c oughs> ไม่ช่ว โอ้นี่จะปลุกระดมยังไงชอบกล <c oughs> ปลุกให้สู้กิเลสหรอกไม่ได้สู้กับใครหรอกพอสมควรแก่เวลาปกติอยู่เมืองไทยเราภาดเทศ45่้านาทีมาทีะเทศให้นานหน่อยสักชั่วโมงทำไมปกติถึงเทศ45นาที สมองของคนเนี่ยโดยปกตนะิรับข้อมูลได้45นาทีมากกว่านั้นจะเริ่มเฉื่อยเหนื่อยแต่พวกเราเนี่ยเป็นข้อยกเว้นเพราะเราตื่นเต้นอาศัยพลังแห่งความตื่นเต้นเนี่ยฟังธรรมะเพิ่มได้อีก15บห้านาทีต่อไปใครจะส่งกันบ้านเวลาส่งกันบ้านนะมีวิธีแค่ถามประเด็นว่า ที่เราทําอยู่เนี่ยเป็นยังไงนะเล่าสนิทหน่อยที่เราทําอยู่ถูกไม่ถูกก็ว่ากันมานะคือไม่จําเป็นต้องเล่ายาวนะไม่จําเป็นหรอกจริงจริงไม่ต้องถามเลยก็ได้นะนะแต่หลวงพ่อก็เกรงใจให้พูดสัหน่อยเดี๋ยวจะว่าเราอุตรีห <c oughs> ลวงพ่อเรียกจากครูอาจารย์ไม่ต้องถามหรอกนะเป็นนั่งข้างๆเดี๋ยวท่านก็บอกนะแล้วว่าครูบาอาจารย์กรรมฐานมั น, นไม่ใช่ ท่านนั่งคิดออกเมืไรนะอาว่ามาลูกก็พยายามจะปฏิบัติยกมาะะอย่างนี้เห็นไหมใจป ร, บปรัปรบลื้ม เ, เรื่อย่างนี้ไปเรียนที่ อ, อื่นท่านชอบนะลูกศิษย์ลื้มชอบหลวงพ่อไม่ชอบหรอกหลวงพ่อชอบลูกศิษย์รู <c oughs> ้เรื่อรู้ตัว <c oughs> วันนี้ได้มาฟังธรรมจากหลวงพ่ อ, พอ ครั้งนึงก็รู้สึกเป็นปลื้มจริงๆค่ะเพราะว่ามีมีความรู้สึกว่าได้ความรู้อะไรเพิ่มเติมมากมายมีความเข้าใจในธรรมะมากขึ้นแต่สิ่งที่ลูกปฏิบัติอยู่เนี่ยฝักครั้งลูกก็กลัวค่ะที่ฝึกอยู่นะมันพอใช้ได้น ะ, ะขันหน้ามันเริ่มแยกแล้วพอจะดูออกไหมกายกับใจคล น, นะคละอ น, นะความสุขความทุกข์อะไรเนี่ยกระใจก็คโละอันเห็นไม้มความสุขมันมาแล้วไปความทุกข์มาแล้วไปถนัดดูจิตมากกว่าดูกายนะ ถนัดดูจิตเรดูจิตไปเราจะเห็นในทุกอย่างมาแล้วไปทุกอย่างมาแล้วไปดูไปเล่นๆอย่างนี้ไดนะ้แต่การปฏิบัติเนี่ยจะมาดูอยู่ในชีวิตประจําวันอย่างเดียวไม่พอนะเราต้องทําให้ได้ครบ3อย่างอันแรกเลยตั้งใจรักษาศีล5้าไว้อันที่2ถ้าเราอยากจะพัฒนาเร็วๆนะแบ่งเวลาไว้ทุกวันต้องปฏิบัติในรูปแบบมันเป็นควารู้สึก่ว่ามันเป็นห น, น, น, น้าที่ที่ต้องปฏิบัตินะคะเออนะแต่เป็นหน้าที่ที่มีความสุขนะ อยากจะทำด้วยจที่เออแต่อย่าให้ปีติครอบงำนะมันเหมือนว่าทด้วยยังไงอ่ะูกพูดถูกลูอว่ามันต้องบังคับกายใจให้ปฏิบัติหรือว่าใหม่ๆเขาต้องอดทนนะบังคับมันเี่ยงแรกๆมันขี้เกียจเที่วขยันับอยู่ค่ะขี้เกียจเทวได้แต่ไม่เลิกท้อใจก็ได้นะบางทีปนาก็ท้อ่ไหมท้อก็ไม่เลิก ทีพอนานแล้วเบื่อเบื่อก็ไม่เลิกเกดอดื้อไว้อย่างเดียวนี่แนะดูไม่เลิกอะ่ะอดทนเข้าทำมาที่ทํามาดีนะขันเกินมันเริ่มกระจายตัวออกแล้วะสังเกตไห้ใจมันโปร่งกวแตก่อนมันโปล่งแล้วมันรู้ได้รู้ตัวได้เร็วเปลอสั้นลงดูออกไหมล่าเริ่มมีสติค่ะนั่นแหละใช้ได้ไปทำอีกธรรมสการค่ะหลวงพ่อครับนะ ดิฉันฟังหลวงพ่อแล้วนะคะก็รู้สึกว่าตัวเองดูจิตนะคะดูแล้วดูไปดูมาเอามารวมกันทุกทีะคะ่ะรวมรู้ว่ารว ม, รวมแยกรู้ว่าแยกไม่บังคับที่ฝึกอยู่นะใช้ได้นะแต่บางีความรู้สึกว่าเห็ดแล้วก็ไม่ไม่ใช่อะ่ะไม่ใช่อะ่ะอย่างเี้ะคะ่ะเราก็เอามารวมกันดูไปดูมาอ้า ดวใจดูก็ไม่ใช่สิก็ใช่สิคะทำยังไงก็ไม่ใช่สิทาไมแล้วก็ใช่ล่ะก็ไม่ใช่้พาก็จะเผลอทุกทีอ้าวเแกไปไหนเนี่ยแกไปไหนเนี่ยนี่ะเห็นไหมว่ามันเผลอเห็นอ่นนั่นแหละดีอ้าวไม่ใช่ว่าห้ามเผลอนะค่ะเผลอแล้วรู้ถึงเร่อถูกห้ามเผลอ่ะผิดอ๋อใช่ค่ะเพราะพาเผลอไปพาก็รู้สึกว่สังเกตไหมแกไปแกไปไหนเนี่ยแกแกไปได้เอง ใช่ไหมมันไปได้เองนั่นแหละเราเห็นอนัตตาของจิตเห็นไหมนี่เรียกว่าพอนาดีแล้วไม่รู้ใช่ค่ะกูเจ้าท่านแยกคนไว้สี่พวกน่ะพวกหนึ่งดีแล้วรู้ว่าดีนี่ดีเลิศพวกหนึ่งดีแล้วไม่รู้ว่าดีพวกใช้ไม่ได้อีกพวกใช้ไม่ได้นี่สินะแต่ท้าก็ดีใจที่ได้มาฟังหลวงพ่ออพราะว่าอย่าง้อยอย่างน้อยก็จะได้กลับไปฝันอีกพวกหนึ่งเลวนะแล้วไม่รู้ว่าเลวนี่เลวเลิศนะ ถ้าเลวแล้วรู้ว่าเลวนะท่านว่าดีนะเนี่ยถ้าเราเห็นว่ากิเลสเกิดเนี่ยดีแั่นต่อไปนี้นะคือรู้ทันจิตมันหลงได้เองจิตมันไปคิดได้เองห้ามมันไม่ได้เนี่ยดูไปจอกร่ทั่งใจมันเข้าใจตัวนี้เราต้องการเข้าใจไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจไม่ใช่ต้องการบังคับมัน mm hmm. เพราะอะไรมันไม่อยู่ในอำนาจ กลับมาเการหลวงพอ่ออยาถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติอยู่เป็นยังไงางจิตตอนนี้ถึงฐานไหมบางทีก็ถึ ง, งขณะนี้ถึงไหมขณะนี้คึดว่าถึงมคิดว่าถึงไม่ถึงขณะนี้จิตมาอยู่ที่หลวงพอ่อ <c oughs> <c oughs> สังเกตไหมมันอยู่ข้างนอกความรู้สึกเราอยู่นอกตัวเราลองย้อนกลับมาดูจิตสิเห็นไม้มเด้งออกดีดอกเลย มันไม่ย้อนเข้ามาดนะังนั้นขณะนี้ใจไม่ถึงฐานสมาธิไม่ดนะีให้คอยรู้ทันใจที่เคลื่อนออกจากฐานไปนะเนี่ยเคลื่อนไปที่หลวงพ่อแล้วก็เคลื่อนไปคิดเหลิงเกลียนไหให้รู้ทันอย่างนี้บ่อยๆนะนันจะเข้าฐานที่ฝึกมาใช้ได้นะเพียงแต่ว่าวันนี้ตอนเนี้จิตมันไม่ถึงฐานนะสมาธิไม่เต็มเนีแอบไปคิดแล้วทราบไหมไหลวื้บไปนะเวลาไหลไหลเป็นเส้นเลยนะวื้บอย่างเงี้ย เคยมีมอยู่ครั้งฮะหลวงพ่อที่ดูลมหายใจแล้วเสร็จนจิตมันแยกออกจากเ อ, อกยกันนั่นแหละกลายกับใจคู่ละอันอะนะแต่แยกก็แยกนะรวมก็รวมนะไม่ใช่ว่าต้องแยกตลอดน ะ, ะถ้าพยายามจะแยกตลอดจะกลายเป็นประคองตัวรู้ไว้ใช้ไม่ได้รู้สึกตัวอยู่นะแต่รู้สึกแบบแข็งแข็งใช้ไม่ได้ไม่เป็นธรรมชาติตัวรู้มี2 อ, อันนะตัวรู้ที่ถูกนใจรู้ตื่นเบิกบานสบายสบาย ตัวรู้ที่ผิดในเราไปปกครองไว้ใจอย่าชื่อๆขอบพระคุณอาจารนมัส ก, การค่ะเป็นครั้งแรกค่ะที่มาเจอท่านกระตื้นเต้นแต่หนูอยากทราบว่าหนูจเจริญสติมาถูกทางหรือ ย, อยังนะคะเพราะว่าหนูเป็นคนที่ฟุ้งซ่านมากแล้วสมัยก่อนก็เพื่อนก็ชวนไปวิปัสนาแบบนับลมหายใจแล้วเนื้อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทําไม่ได้เพราะใจเราฟุ้งเก่งค่ะใจฟุ้งมากมากนะค่ะฟุ้งมากเลยค่ะ ก็พยายามฟังที่หลวงพ่อเทศเอาไว้ค่ะว่าให้รู้สึกโฟกน้าสนใจกไปคิดใช่ค่ะเมื่แทนที่จะปล่อยให้มันคิดสเปสสปะนพามัคิดเลยเช่นพามันคิดพุทโธพุทโธพุทโธไปเดี๋คิดพุทโธทำโมสังโฆอะไรนะพรมคิดไปเลราพูดพุทโธจิตมันก็บอกไม่ใช่เองค่ะแต่ว่าเคยไปฟังพระฝรั่งในอินเทอร์เน็ตนะคะเขาบอกว่าสมมติว่านั่งสมาธิก็ให้รู้สึกว่ามัน rising กับ falling rising กับ falling อันนั้นจะดูท้องฟองยุบอันนั้นดูท้องฟองยุบเหรอคะ mm hmm. ก็ไม่ถูกอีกไม่หลวงพ่อไม่ได้ว่าอย่างนั้นห oh. ลวงพ่อบอกกรรมฐานนะถ้าทําถูกหลักแล้วถูกหมดอะแบบไหนก็ถูกแล้วแบบที่หนูทําอย่างนี่พอใช้ได้ไหมคะพอใช้ได้แล้เป็นที่หนูคอยดูใจที่กังวล น, นะ <c oughs> ใจมีเรื่องกังวลอยู่เรื่อยเรื่องเรื่องเด็กใจในี้แปบแป๊บป๊บแ <c oughs> ใจกังวลขึ้นมารู้ทันนะ ใจสุขใจทุกข์ใจดีใจร้ายรู้ทันใจไปเรื่อยเ ร, ยเราฟุกงส่้นมากเราไม่สามารถดูกายได้การจะดุลกายได้ดีต้องทำสมาธิให้มากพอเพราะฉะนั้นะสมาธิเราไม่พอเนี่ยให้ดูจิตเอาการดูจิตใช้สมาธิไม่มากถ้าทำสมาธิมากจะดูจิตไม่ได้เพราจิตจะว่างๆไม่มีอะไรให้ดูเนี่ยใจหลไปคิดแล้วเห็นไหมอย่างนี้ที่เหมาะกับหนูก็คือต้อ ง, องดูทันจิตตัวเองไป ก็คือโดยการนั่งหลับตานั่งยืนเดินนั่งนอนแล้วรู้ทันจิตไปรู้วทันจิตเนี่ยเด็กๆมาเปียกเนี่ยใจฉกไปที่เด็กถ้าใจเป็นเต่งเนี่ยรู้ใจเป็นเต้งออกไปคือก็รู้ธรรมดาเฉยๆใช่ไหมรู้ธรรมดาแล้วย่างนี้กันนะธรรมาเป็นอะไรธรรมะเป็นธรรมตาแล้วทําไมทุกสํานักต้องบอกว่าให้นั่งเหรคะนั่งแล้วหลับตาคะถ้าหลับตาแล้วใจเราจะจ้องไปที่ไหนอะคะ เฮ้ยหวพ่อไม่ได้บอกอย่างนั้นเลวงพ่อพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้หลับตาพระเจ้าสอนอย่างนี้นะดูคราฟิกสูททั้งหลายให้เธอคู่บัลังก์ตังกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่ายาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวไม่มีหลับตามีไม่มีท่านไม่ได้สอนพวกเราแหละตูหนังเกี่ยวกับฤษีเยอะไป สีนั่งที่ไรหลับตาทุกทีเลยพระพุทธรูปหลับตามีไหยส่วนมากพระก็ลืมตาใช่ไหมกระทั่งพระนอนยังลืมตาลืมตานี่แหละใจเคลื่อนไปเรารู้ก็คือที่หนูทําอยู่นี่ถูกต้องเลยใช่ไหมคะถูกแบบของเราถูกแบบของเราใช่เพราะงั้นไม่ต้องไปฟังคนอื่นนะเราถูกแบบของเราบอลลิงไลซิงอะไรก็ใครก็อยจะซิงซิก็ช่างเขาก็ถูกของเขา เราเข้าถูกอย่างของเราคือถ้าเรารู้ทันกิเลสได้ม็ใช้ได้แล้วละ่ะฝึกแทบเป็นแทบตายเพื่อจะมารู้ทันตัวนี้นั่นแหละแล้วทำไมอย่างบางทีเวลาโกรธจิตมันก็รู้ว่าโกรธแตมันก็ยังจะโกรธอะค่ะมันเคยชินนะพลังของความโกรธมันแรงกว่าพลังของสติฝึกไปเรื่อยต่อไปสติมันดีขึ้นสมาธิดีขึ้นนะพอ ร, รู้ปั๊บาขาดเลยแล้วก็อีก คำถามนึงอะคะ่ะเกี่ยวกับศีลห้าค่ะว่าเรื่องค่าสัตว์อะคะ่ะหนูปลูกผักปลู ก, ลกต้นไม้ที่บ้านนะคะ <c oughs> ก็พยายามไม่อยากจะฆ่ามันแต่ว่าพวกมดพวกเพลี้ยอะไรมันก็ชอบขึ้นอย่างนี้นะคะ่ะ <c oughs> อย่างนี้เราควรจะยังไงอะคะคือถ้ามันก็จําเป็นที่ต้องจํากัดมันไม่งั้นมันก็มันก็ลาันก็ทําลา <c oughs> อย่างนี้เรียกว่าบาปไหมคะบาป อยู่ที่การวางใจนะเพรามดมาเนี่ยกะฆ่าให้ซิโคตรอันนี้บาปมากถ้าเห็นหมดมานะกะจะรักษาต้นไม้ไหมบาปน้อยอยู่ที่เจตนานะเจตนาจะฆ่ามันหรือเปล่าหรือเจตนาจะรักษ า, <อ> า, าต้นไม้ถ้าเจตนาคือเราใช่ค่ะเราต้องการปกป้องต้นไม้เพราะงั้น ว, วางใจให้ถูกนะแล้วบาปมันจะลดลงแต่เหลือบาปเล็กน้อยก็ยังเป็นบาปใช่ไหมบาปแต่ว่ากรรมตัวนี้จะเป็นกรรมที่ห่อนนะ กรรมจะมีผลแรงเนี่ยต้องมีองค์ประกอบครบอย่างเราจะฆ่าสัตว์เนี่ยรู้ว่ามันเป็นสัตว์ 2. รู้ว่ามันยังมีชีวิตอยู่ 3. เ, เจตนาจะให้มันตาย 4. ลงมือกระทำเพื่อจะให้มันตาย 5. มันตายครบ5อันเนี้ยบาปเต็มเตม เ, เรารู้ว่ามันเป็นสัตว์เรารู้ว่ามันมีชีวิตเราไม่ได้คิดจะฆ่ามันเราคิดจะรักษาต้นไม้ไว้เราลงมือรักษาต้นไม้แต่มันตายขาดไปสตัว เราไม่ได้ลงมือฆ่ามันไม่ได้เจตนาฆ่ามันแต่มีผลจากการรักษาต้นไม้มันตายเนี่ยแทนที่จะบาปห้านะก็เหลือแค่นี้เ้าเรียกว่ากระตตากกรรมกรรมที่มีผลเล็กน้อยอย่างนี้มีจริงเหรอคะคนที่ไม่เคยทําบาปเลยคะไม่มีก็ไม่มีใช่ไหมถ้าเขาทำนะค่อยฝึกไปมันก็จะลดลงลดลงนะจนมันสะอาดขึ้นมา ก็อีกคำถามสุดท้ายค่ะคือลูกชายก็ชอบแบบฟุ้มมากอะค่ะก็เหมือนแม่กันทำมาจากเาเรียกอะไรครฝันกลางวันมากอะค่ะจะมีอะไรที่เหมาะกับเขาไหมคะเขายังเล็กไปยังฝึกไม่ได้ใช่ไหมไม่น่าเป็นห่วงอะไรหรอกพื้นฐานดีอยู่แม่น่กกังวลเยอะกวนเนี่ที่เอาผ้าขาวคลุบใจหลงไปแล้วนะ อาจาช่ค่ะเคยเวลานี้ก็กําลังปฏิบัติอยู่แต่รู้สึกว่าจะสวดมนต์ภาวนาทุกเช้าแล้วก็นั่งสมาธิแต่รู้สึกว่าพอนานๆไปรู้สึกว่าพอจะเข้านี่ปุ๊บนี่ตัวมีอาการหนักและถ่วงที่ใจเหมือนกับจะหายใจไม่ออกคืออยากจะทาบว่าวิธีแก้ลองลองนั่งให้หลวงพ่อดูสิที่จริงไม่ต้องนั่งหรอกพราพอเห็นแล้วล่ะคือเราจริงจังไป เวลานั่งนะ่าจะเอาเป็นเอาตายอย่างเงี้ยกดแน่นอนเลย น, ะนั่งเล่นเล่นสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้นั่งเล่นเล่นถ้าทำเล่นเล่นนะจะสงบง่ายก็จงใจจะให้สงบนั้นจะไปบีบไปเค้นจิตทำให้จิตเครียดจิตจะไม่สงบเคล็ดลับของการทำสมาธินะอยู่ที่สบายใจนะ ถ้าเราสบายใจรู้อารมณ์ไปอย่างสบายใจนะใจจะสงบอย่างรวดเร็วเลยแต่ถ้าเราไปบังคับใจนะใจจะไม่สงบค่ะก็พยายามปฏิบัติทุกช้าแต่รู้สึกว่าพอจะจะไปถึงจุดนี้มัว่าอาการรูลมหายใจจะค่อยๆหายไปนี่เลยจะเป็นหนักอยู่มันก็เหมือนก้อนหินก้อนหนึงนี้มันมันเป็นช่วงหนึ่งเท่านั้นแหละเวลาจิตจะรวมบางคนเป็นกันเลยจะตัดก็ตัดไม่ขาดมันกับดึงกันไว้เพาะว่ามีสองอย่างมันดึงกันอาไว้อยู่ตลอดเวลาว่า คือคือใจใจมันจะลงมันก็ไม่ลงน ะ, ย, <ฮ>ะยื้อกันอยู่ทำใจสบายสบายเป็นไงก็ช่างมันทำใจสบายเนี่ยทำให้ดูดูเป็นไหม <c oughs> เป็นค่ะแดูเป็นใช่ไหม <ฮะ S 1> เดี๋ยวทาให้ดูดนี่แค่ยิ่งเหนไหมก็ลงแล้วไม่เห็นจะหนักตรงไหนเลยความรู้สึกบางครั้งก็ยังบอกตัวเองโอเควันนี้ จะตายก็ให้ตายอยู่ตรงนี้แหละแต่ก็รู้สึกว่าของโยมมันมันมันซีเรียสไปภพวนาแบบซีเรียสไปภาวนาเล่นๆเลยอ๋อจริงจังเกินจริงจังเกินแล้วมันจะเค้นมากนะเหนื่อยโยมเป็นคนจริงจังไปรู้สึกไหมถูกต้องค่ะอันนี้คือผิดไม่ผิดหรอกเวลาเราพภาวนะเราว่าเอาเป็นเอาตายมันก็เลยอ่นานัดภาวนาเล่นๆ ประมาเล่นนะต้องจะรวมอย่างรวดเร็วกรับนิมาสกันเช้ค่ะหนูหนูหนดูระหว่างหนูทำงานเจ้าค่ะหนูเใช้มือเคลื่อนไหวมากหนูก็จะดูว่ามือเคลื่อนไหวหนูก็จะดูว่าดูซิมือมันเคลื่อนไหวแล้วมือมันเคลื่อนไหวแล้วบางทีหนูก็จะสวดมนต์แต่ว่าหนูจะฟุ้งมากเจ้าค่ะ mm hmm. บางทีเผลอพุ้งแบบ mm hmm. แล้วตอนนั่งสมาธิหนูก็จะฟุ้งซ่านแล้วก็จะ เอ็นไปข้างหลังเราก็จะดึงมันอย่างนี้ใช่ไหะหนูไม่รู้ว่าหนูจะดูนั่งเก้าอี้ก็ได้จะได้เห็นแต่ไม่ได้คือดูสงสัยว่ายิ่งทางานเคลื่อนไหวเกิดกับมือมากนี่หนูจะดูร่างกายดูมือหรือว่าดูจิตดีเจ้าคะทํางานเคลื่ อ, อาานไหวมือหนูตรวจของก่อนจะตรวจถุงปลาสติกใส่เครื่อมือผ่าตัดแพทย์ก็จะมีเดินบ้างแต่สำหรับมือหนูจะอื พยาดูไปนะเห็นน่าใจเราเหมือนคุณโยนตัวหนึ่งกําลังทํางานอยู่แล้วดูนี่ดูมันเคลื่อนไหวเฉยๆหรอว่าดูซีมือมันเคลื่อนไหวไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องบรรยายเห็นแค่รู้สึกแค่รู้สึกแค่รู้สึกว่ามันเคลื่อนไหวอยู่จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรานะแต่ว่าหนูมันแต่ว่ามันทําเป็นประจําจนติดนิสัยแล้วทีนี้บางทุกจิตหนูมันไปไปก่อนมือหนูมันเพื่อนกันเออค่้คอยรู้เอาสิรู้ทันว่าจิตไปแล้วแล้วเวลา เวลามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานเวลาโกรธนี่รู้ว่าโกรธแต่ว่าบางทีมันยับยังไม่อยู่มือมันจะสั่นอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพอดีมือสั่นอย่างเงี้ยพวกนี้สั่นจรู้นะยังไงคะดูมันสั่นเลยว่าดูความโกรธหรืว่าดูที่ปรับโกรธดูที่ใจให้ดูที่ใจนะะไม่ต้องดูที่ร่างกายหรอกรู้ทันว่าใจมันโกรธใจมันโกรธแล้วแต่ทีนี้สมมุติว่าเราถูกต้องแต่เขาผิดเราจะต่อเนื่องหรือเราจะหยุดไว้แค่นั้นเจ้าค่ะนั้นอยู่ที่เหตุผล การใช่เหตุผลทางโลกแล้วนะอย่างลูกน้องเราทําไม่ดีเราต้องอบรมแล้วแต่ว่าไม่ได้อบรมเพราะโกรธถามนักศึการเรียนถามหลวงพ่อค่ะคือเมื่อกี้ตอนนั่งฟังหลวงพ่ออยู่ก็นั่งขัดสมาธิเปลี่ยนท่านั่งก็มองเห็นขาสองข้างค่ะเอ้ยนี่ขาใครอ่ะเอ อ, เอนัหะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เลยขาใคร <laughs> <laughs> แต่ทีนี้จะเรียนถามหลวงพ่อว่าคือมีอย่างนี้ หลายคนั่นแหละคือขันมันแยกออกไปนะมันเห็นในร่างกายไม่ใช่ตัวเราน ะ, ะพระเจ้าสอนอย่างนี้นะว่าคนนอกศาสนาพุทธเขาสามารถเห็นได้เหมือนกันว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่จะไม่เห็นนว่าจิตไม่ใช่เราเพราะเราภาวนาแล้วเราเห็นร่างกายไม่ใช่เราเป็เรื่องปกติไม่แปลกอะไรเป็นอย่างนั้นแหละถูกแล้วค่ะไม่ทราบว่าลูกคงทํำยังไงต่อค่ะทั้งหมดที่ทําอยู่ใช้ได้น ะ, ะทําต่อไป แล้ร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกไปจะเห็นว่ามันไม่ใช่เราแต่ไปจิตใจมันทำงานเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแล้วก็เห็นมันทํางานไปมันนีกไม่ใช่เราหรอกมันทํางานได้เองจะดูอย่างนี้เรื่อยๆจนกระทั้งเห็นว่ามันทํางานของมันเองไม่ใช่เราหรอกยังยังต้องฝึกในในรูปแบบรูปแบบต้องทําทุกวันถ้าเราทิ้งการทําในรูปแบบนะนานๆไปเนี่ยพลังของจิตจะตกลงจิตจะไม่มีแรง จิตไม่มีแรงมันเหมือนมีดทื่อแล้วจะตัดต้นไม้สักตนน้นมีดทื่อชตัดไม่เข้าเลยเปล่าๆนะั้นทำในรูปแบบเนี่ยจิตจะมีพลังขอบคุณค่ะกลับนมาสการค่ะหลวงพ่อตื่นเต้นค่ะห้หนูใจมันเต้นุใครเจอหลวงพ่อก็ตื่นเต้นเท่านั้นแหละอยากจะถามหลวงพ่อค่ะทำไมชอบคิดแต่เรื่องไม่ดีอะค่ะทั้งวันนั่งสู้แต่กับกิเล็ตัวเองอะค่ะอย่าไปสู้กับมัน ไม่มีใครเอาชนะมันหรอกค่ะแล้วต้องให้รูรท้ทันรู้ทันว่าอ๋อแกคิดไม่ดีอีกแล้วเก่งนี่คิดไม่ดีทั้งวันเลยคทั้งวันเลยค่ะหลวงพ่อบางทีไม่กล้ามาวัดนะคะว่าพอมาที่รู้สึกว่าเราลบลู่เขาส่งทุกทีเลยรู้สึ ก, กต้องทองอรมานเะนี่ยคะ่ะต้องต้องอะไรนะมาวันแล้วเออบางทีไม่กล้ามาวัด รู้สึกว่ามีความถ้าเรามาปุ๊บเวาเราเดินอย่างนี้เหมือนคล้ายๆว่าเราจะเท้าเราเหยียบพระส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหาอไปเหยียบท่านทําไมล่ะไม่ได้ตั้งใจเขาเขาผลขึ้นมาค่ะแล้วมันทุกทรมาไม่ได้ห้ามไม่ได้อย่าไปฝืนมันแค่รู้ทันมันนะใจกังวลขึ้นมารู้ว่ากังวลค่ะรู้ทันจิตไปค่ะเพราะตอนนี้เอ โยมปฏิบัติก็ไม่ค่อยไม่ได้ทุกวันอากาศแต่ดูความรู้สึกของตัวเองไม่ได้ได้ไปนะค่อย่างนี้ดีหรือเปล่าคะใช้ได้ใช้ได้ก็มาานแบบหลวงพ่อนะโอดูแล้ง่ายนะที่จร right? sí. right. right. ิงเราปฏิบัติตั้งแต่ตื่นยันหลับเลยจิตดีขึ้นแล้วรู้สึกไหมอย่างนี้ถึงใช้ได้นะจะไปกเร่องเพื่นดีรัสการค่ะ แล้วคนที่ชอบเพ่งอย่างโยมเนี่ยจะหลอกจะจะจ ะ, จะทำจะจะจิตเนี่ยมันเป็นไปตามความเคยชินถ้าม่เคยชินจะเพ่งมันก็เพง่งห้ามมันไม่ได้มันเป็นอนัตตาแต่เพ่งเรารู้ว่าเพง่งที่ผ่านมานะเราเพ่งแล้วเราชอบใจนะรู้ <c oughs> สึกเนี่ยแหะนักปฏิบัติต้องวางฟอ้อง <c oughs> <c oughs> นักปฏิบัติต้องไม่เหมือนคนอื่นอย่างเงี้ยแต่เรามีทัศนะมีทัศนะแบบนั้นนะเราก็เลยสร้าง บุคลิกตัวเองแบบนี้ขึ้นมาเนี้ถ้ามันเคยชินจะเป็นอย่างนี้ห้ามมันไม่ได้แต่ว่าพอมันเพ่งรู้ว่ามันเพ่งอยากหายรู้ว่าอยากนี่รู้ทานจิตไปเลยมันง่ายแค่นั้นแหะเห็นไหมตัวอะไรพยักหน้าอยู่แค่รู้สึกแค่รู้สึกอีกเรื่องหนึ่นงเ้าค่ะคือโยมสองคนมาจากประเทศเดนมาร์ก่ะไม่ได้อยู่ที่นี่ถ้าถ้าหลวงพ่อจะเมตตาไป โปรดญาติโยมที่เดนมาร์กสักครั้งนึงมีกี่คนอ่ะเยอะเจ้าค่ะแต่ว่าที่มาได้วันนี้ก็คือมีกันแค่โยมสองคนเดี๋ยวหลวงพ่อรับไว้พิ่เจรนาก่อนะค่ะเดนมาร์กไปยากไหมไม่ยากเลยเข้ายากไหมไมยบางประเทศน่าขอวีซ่ายากมากเลยเนเธอร์แลนด์น่ารักน่ารักขอเนเธอร์แลนด์แล้วก็เข้าเดนมาร์กได้เจ้าค่ะขอเป็นวีซ่าเชงเก้นนะเจ้าค่ะ โอ้เจริญแล้วจะให้ไปเดนหมาย์กมาขอข้าที่นี่ก่อนแต่แต่ถ้าแต่แต่ถ้าข้าเดนหมายโอ้ยเยอรมันเนี่ยข้ายากมากไม่ใช่ไม่ใช่ตอนไปขอวีซ่าเนี่ยขอยากพระเนี่ยนะจะทำพาสปอร์ตนะต้องไปขอมหาเทราสมาคมมารอบนะมีกรรมการของมหาเทราสมาคม ในประเทศอื่นเนี่ยเรามีพาสปอร์ตแล้วไปขอวีซ่าเน้เขาให้อย่างเนเธอร์แลนด์เยอรมันไม่ให้ต้องไปขออนุญาตมาคณะสองฆ์อีกเพื่อจะมาทาวีซ่าโอ้ยพอดีขอกันอยู่นี่ไหะไม่ใช่สั้นๆนะก็บวนกันแต่แต่ถ้าถ้าหลวงพ่อได้วีซ่าที่เนเธอร์แลนด์แล้วเข้าเดนมาร์กได้เลยเจ้าค่ะ <c oughs> ชั่วโมงครึ่งเองเจ้าค่ะบิน <c oughs> บนินนะชั่วโมงครึ่ง <c oughs> เดี๋ยวรลวพ่อต้องดูก่อนนะเพราะมีคนนิมนต์หลายป <isation> ระเทศเลยบางประเทศก็โอ้เข้ายากอะ้อค่ะบราจะละนาค่ะสการค่ะหลวงพคือหนูมีรูปอ่อนนะคะจะว่าเป็นข้ออ้างก็ได้อะค่ะคือแต่ก่อนเคยปฏิบัติตัวใช้ได้นะภาวนานะใช้ได้อ๋อค่ะใช้เกณฑ์แมงกายกจยโคราชกันค่ะขันมนแยกแล้วล่ะ ขันมันแยงได้ต่อไปนี้ดูขันมันทํางานไปด้วยเลี้ยงลูกไปภาวนาไปอย่างนี้แหละเห็นจิตมันทํางานเห็นไหมจิตมันโฉบอย่างรวดเร็วเลยโฉบไปคิดปั๊บเนี่ยแค่รู้ทันไม่ห้ามนะการปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เข้าไปบังคับกายบังคับใจแต่เราจะรู้ทันมันค่อยรู้สึกสังเกตไมมใจมันอยากพูดไประยะระยะอ่าเนี้ยอย่ามันอยากพูดขึ้นมาเราก็รู้ทันมัน ก็เห็นในความอยากเกิดแล้วก็ดับความอยากเกิดแล้วก็ดับนะ <S <S <ม>ต่อไปความรู้สึกอย่างอื่นเกิดขึ้นเราก็รู้อย่างเดียวกันนี้นะก็จะเห็นมันเกิดแล้วก็ดับไปอ๋อค่ะเขาถามอีกคําถามนึงค่ะคือว่าปกติแล้วเวลาคือเวลานั่งปฏิบัติอะคะ่ะคือพื้นที่ดูกายเพราะว่าไม่ได้ดูดูจิตเพราะว่าดูจิตจละะแล้วจะหลับอะค่ะเวลานั่งแล้วก็แบบว่าบ้งที่ดูกายเนี่ยมันจะมีบางส่วนที่เหมือนกับว่ารู้สึกกดทับอะค่ะเหมือนอย่างเวลาใส่แว่นตายอย่างเงี้ยค่ะ ต้องไปกดแล้วก็ทํความรู้สึกให้ผ่อนคลายลงไปตรงนั้นนะเละ hmm. ่นคลายออกเราเป็นคนเครียดไงถ้าเครียดนะเวลาภานมานบางที่กดมัน <perimeter. S 2> กดแล้วบางทีคอเครียดไปเลยเป็นไหมเป็นค่ะนั่แหละ<อ>โง่เองให้ไปซีเรียสไปถ้ามันคอเครียดมันก็คลายออกนทําใจสบายรู้สึกไปอย่างผ่อนลคลายมือคลายออก เวลานั่งนะไล่ตั้งแต่หัวลงมาเลยเป็นตัวเนี่ย umm ส่วนไหนเกร็งนะก็คลายออกก่อนแล้วก็รู้สึกร่ารงกายไปสบายๆใช้ได้นะที่ฝึกอยู่ตอนะขันมาเริ่มแยกแล้วเวลานมัสกา ร, รพระอาจารย์เจ้าค่ะทีฉันขอวันนี้ที่ฉันได้มาฟังพระอาจารย์นะคะก็เป็นครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่าที่ฉันได้ความรู้ใหม่นะคะในการปฏิบัติคือ อ่าไม่ต้องไปบงงังคับจิตให้รู้ตามจิตเออถูกดิฉัน<ด>จะนำไปปฏิบัติในส่วนนี้ค่ะเปดีดและทีนี้ขอเรียนถามว่าก็าคือขอเล่านะคะว่าในการปฏิบัติของดิฉันนะคะอ่าหลังจากสวดมนต์อ่าไหว้พระเสร็จก็จะนั่งสมาธินะคะ นั่งครั้งแรกก็จะว่างค่ะพิฉันจะเห็นความว่างนะคะแล้วก็ดูในความว่างนั้นแล้วก็สักพักหนึ่งก็จะฟุ้งค่ะพี่ฉันก็เห็นว่ า, าเป็นซะบ่อยนะคะว่ า, านิวรณ์ตัวตัวที่ห้าเนี่ยนะคะ เข้ามารบกวนบ่อยเลอเกินจะมีวิธีไหนคะที่จะการจัดตัวนี้ให้รู้ท<ป>ันให้ทันนะรู้ทันนะคะรู้ทันแล้วก็เอ๊ดิฉันก็เข้าใจว่านี่นนวอนตัวนี้มาอีกแล้วนะตัวฟุ้งซ่านอายู่กจะอย่าไปเกลียดนั่นอย่าไปเกีย ด, ดัน ดิฉันค่อนข้างเกลียดใช่นั่นแหละปัญหาอยู่ตรงนั้นใช่แล้วก็จะทําวิธีไหนน่จะกําจัดตัวนี้ได้ไม่มีพิธีไม่มีนะคะสี่ตัวดิฉันนิวร์ทั้งสี่ตัวไม่เป็นปัญหากับดิฉันค่ะมีตัวนี้ตัวเดียวจ้ะให้รู้ทานเราใจฟุ้<ช>งซ่านเรารู้ทันใจฟุ้งซ่านเรารู้ทนันแล้วต่อไปสมาธิเราดีขึ้นมันจะข่มนิวร์ได้ Sorry, sorry. Mm -hmm. uh, om te gaan kon uh, die pas Holland, hè? O, tam dat, maar haal een plekje voor mij. Mijn vraag in het Nederlands is uh, de vijf aggregaten, dus uh, het lichaam, maar van vier van de geest, enen daarvan uh, zijn de herinneringen. En ik vraag me ook i j d af: de herinneringen, wat heeft het precies voor een functie? Want het is in het nu gebeurt, het verdwijnt in het verleden, maar wat wat heb je er aan eigenlijk in de toekomst? Dat is mijn vraag. Ik ga ja. o k e v r e t w o o d n De v a g e r e t k a n a a r i k h e e g het n a i En i e t a e g e n i k h e i het n i e t o e k h e b g d m a b e a n r i k i de t i het n g i e t o e k e n g r i j k in de toekomst? Wat is het belangrijk in de toekomst? Wat is het belangrijk in de toekomst? Wat is het belangrijk in de toekomst? Wat is het belangrijk in de toekomst? Wat is het belangrijk in de t o e k o m het n i e t o e k e g r ถ้าหากเราจะสําคัญยังไงกับเรื่องของอนาคตค่ะคือสัญญาเนี่ยนะเป็นตัวที่เวลาเราปฏิบัตินะเนแยกกัะเภทเลสัญญามันไม่ใช่แค่ความจําได้สัญญามี2 ส, ส่วนนะความจําได้กับการหมายรู้นะอย่างจําได้เช่นจําว่านี่สีเขียวสีเหลืองอะไรอย่างนี้นะหรือสีเขียวแปลว่าอะไรสนะอนออกไปอีกสัญญาจําได้เนี่เป็นเรื่องเพลินเนส่วนสัญญาหมายรู้เนี่ยเป็นสัญญาที่เวลาเราเป็นมุมมองของจิต พวกเราทั้งหลายเนี่ยหรือปุถุชนทั้งหลายเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าสัญญาบิดล่ี้ยวคือเราจะหมายรู้ผิดตลอดเวลาเช่นเราหมายรู้ของไม่เที่ยงว่าเที่ยงอย่างพวกเรารู้สึกไหมว่าพวกเรายังไม่ตายวันนี้เนี่เราหมายรู้อย่างนี้หมายรู้ว่าเที่ยงเราไม่ตายหรอกวันนี้หมายรู้สิ่งซึ่งเป็นทุกข์นะว่าสุขแม้เรามีสุขบ้างมีทุกข์บ้างยังมีจุขอยู่นี่เป็นหมายรู้ที่ผิดหมายรู้สิ่งที่ไม่ใช่ตัวต น, นว่าเป็นตัวตนนี่มีเราแต่ท่าที่มันไม่มี เงืนสัญญาของเราเนี่ยมันเป็นตัวที่เพี้ยนอยู่ตอนนี้เวลาภาวนาเนี่ยเราพยายามมาใช้สัญญาอีกกลับข้างอาศัยการเป็นมุมมองของจิตพยายามมองร่างกายมองจิตใจของเราในมุมของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่คือการใช้สัญญาในการทําวิปัสสนากรรมฐานเมื่อต้อนเป็นสัญญาเป็นการหมายรู้เนะช่นเวลาเห็นใจมันทํางานขึ้นมาเนี่ยเราก็มองแทนที่จะมองว่าทํายังไงใจจะสงบ ไม่ได้มองเอางนนแต่เรามองเห็นว่ า, วาใจมันทำงานได้เองนี่หมายรู้ในเชิงอนัตตานะถ้าการที่เราหมายรู้ในมุมของอนิจจังทุกขังอนัตตานานๆนนไปเนะียปัญญามันจะเกิดขึ้นนั้นสัญญานี่อาศัยสัญญานะทำวิปัสสนามันก็เข้าใจยากใช้เกต์นะในสติปัฏฐานเนี้ยท่านแหวนสัญญาไว้ก่อนนะ มีกายใช่ไหมเวทนาจิตเนี่ยเป็นจิตสังขารนลธรรมเนี่ยเป็นสภาวะรูปธรรมนามธรรมาสัญญานี่ไปเจืออยู่ในนี้ด้วยทําไมไม่เอาสัญญามาทำกรรมฐานตั้งแต่แรกไม่ไปดูสัญญาสัญญาของเรามันเพียนมันผิดอยู่แล้วเพียงแตปรับสอนให้จิตเนี่ยมารู้จักมองสิ่งทั้งหลายในมุมของความเป็นไตรลักษณ์สัญญาจะดีขึ้น เป็นพระอธิยบุคคลนะสัญญาถึงจะหายวิปลาสจำภาษาไทยได้ไหมวิปลาสแปลว่าบ้าเนี่ยหมดแล้วนะนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะได้ไปเยอรมันต่อพ่อนานะทำที่หลวงพ่อสอนให้เป็นนะแล้วต่อไปเนี่ยเราจะรู้ด้วยตัวเองว่าอะไรเป็นธรรมอะไรไม่ใช่ธรรมบางที คนหลายคนพูดประโยคเหมือนกันนะแต่สภาวะจะไม่เหมือนกันหรจะพูดมีสติรู้สึกตัวใครๆก็พูดได้แต่ว่ามันไม่มีเนีย่ยพวกเราฝึกให้ดีนะให้เห็นสภาวะแท้ๆต่อไปคนอื่นมาลอกเราไม่ได้หรอกแต่จะรู้ว่าอะไรเป็นธรรมอะไรไม่ใช่ธรรมย่าถาว่าริวหาภูราภิริภูเรนตีสาครัง เอวามีวาอิโตดินังเปตานังอุปกปติอิชิตังกฏติตังดุมหังคิปเมีวาสมิจสตุสเพปูเรนตุสังกปาจันทูปนรโสยธามิโชติรโสยทาสพีทีโยวิวัชชนตุสภโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่ายโกภวะอาภิวาธนาสีเลสนิจังุทธาปจายิโน จตาโรโหธรรมาวทันตีอยุวันโนสุขังพะลัง